จากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาตเรื่องเจาะลึกๆึกเทวนิยมและอะเทวนิยมตอนที่หนึ่งโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่สามสิบธันวาคม2544ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณนะ บัดนี้เวลาแห่งการอธิษฐานทุกคนควรจะมีความสำนึกรู้สึกตัวไว้เสมอว่าเราควรจะตั้งจิตให้ได้บ่อยๆ การตั้งจิตหรือการอธิษฐานคือการตั้งความมุ่งหมายตั้งความประสงค์ตั้งความปรารถนาซึ่งไม่ได้หมายความว่าขอไม่ได้ความหมายความว่าอ้อนวอนต้องการให้อะไรบรร don บรรดาให้แก่เราแต่เป็นการตั้งจิตตั้งใจของเราจริงๆว่าเราเองเราจะ มุ่งไม้ที่จะให้เจริญอะไรอย่างไรและเราก็หาทางพยายามที่จะดำเนินไปได้เหตุแล้วก็ไปเกิดผลไม่จ่ให้ใครมาบันดลบรรดาลผลให้โดยที่ไม่มีเหตุไม่มีสิ่งที่เป็นต้นทางแล้วเราก็จะช่วยเอาอจะปลายทางการอธิษฐานหรือว่าการตั้งจิตนี้เป็นของศาสนาพุทธ ไม่ใช่ศาสนาเทวนิยมที่เป็นศาสนามีพระเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยบันดลบันดาลไม่ใช่ศาสนาอย่างนั้นตรงกันข้ามกันศาสนาพุทธนั้นพึ่งกรรมไม่ได้พึ่งพระเจ้าพึ่งการกระทาของตนของตนถ้าตนกระทาสิ่งที่ดีสิ่งที่เจริญสิ่งที่เป็นกุศลกระทาได้ก็เป็นวิบาก เป็นพลกรรมที่สั่งสมพลวะปัจจัยแห่งพลกรรมที่สั่งสมนั้นๆแหละจะเป็นกําลังเป็นอํานาจแล้วจะให้เราเป็นเรียกว่ากรร ม, มโยนิหรือกรร ม, มพันธุจะให้เราเป็นหรือจะเป็นเชือ้อเป็นสิ่งที่จะมีฤทธิ์มีแรงจะเรียกว่าบันด น, บ, น, ดนบันดาลมันก็ไม่ถูกทีเดียวแต่ก็เหมือนกับบันด น, บ, น, ดนบันดาล จะทำให้เราได้รับผลหรือได้รับการประสบในโอกาสต่อไปในข้างหน้าดีหรือชั่วก็เพราะเราเพราะกรรมเพราะวิบากที่เราได้กระทำไว้สั่งสมถามว่ามีฤทธิ์เดชหรือว่ามีพลังที่ทำให้คนแต่ละคนนั้นมีผลเหมือนบันดลบันดาลเหมือนกับที่ มีความพิสดารมีปาฏิหารมีสิ่งมหัศจรรย์อะไรเหล่านั้นเกิดแก่แต่ละคนได้ไหมตอบว่าได้ถ้าผู้นั้นมีบา ร, รมีมีกรรมมีวิบากที่ได้สังสมมามากพอจนกระทั่งสามารถออกฤติออกเดชถึงขั้นเหมือนปาฏิหารเหมือนสิ่งมหัศจรรย์ เช่นพระพุทธเจ้าทรงมีเป็นต้นพระมหาสาวกหลายพระองค์ที่ทรงมีที่มีสามารถสั่งสมกําลังแห่งกรรมนั้นๆของตนเป็นสิ่งที่ได้มากมีมากจนเหมือนกับปาฏิหารเหมือนกับสิ่งมหัศจรรย์ได้เป็นของตนของตนของใครของมันไม่ใช่มีพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาบันดาลให้ผู้นั้นมาบันดาลให้ผู้นี้ไม่ใช่ของใคร ของนั้นพึงมีไม่ต้องอ้อนวอนขอร้องก็จะได้ได้โดยรรมได้โดยสัจจะไม่จำเป็นจะต้องไปขอกู้นี่ยืมสินหรือว่าไปขอร้องขอให้ผู้นั้นผู้นี้ให้เพราะฉะนั้นอานาจกรรมนี้เป็นของศาสนาพุทธเป็นอะเทวนิยมไม่ใช่เทวนิยมต่างกัน เพราะฉะนั้นทุกคนพึงกระทำกรรมที่เป็นกุศลเอาเองสั่งสมไปทุกๆวินาทีคือวินาทีแห่งบุญเรามาเริ่มปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ว่าเออเราทำอย่างนี้แหละดีนะงนี้แล้วมันเป็นทางปฏิบัติเป็นมรรคเป็นทางจะไปสู่อริยะนะเป็นสัมมาอาริยมรรคโดยการสังวรทางจิต สังกัปปะจะนึกจะคิดจะดำมเบลสังกัปปะแปลว่าความดำมเบนในรากของสังกัปปะนี่มีสามพระพุทธเจ้าตรัสไว้หนึ่งตักกะสองวิต ก, กะสสังกัปปะารากตัวดำมเบและตัวจะเกิดการปฏิกิริยาเรียกว่าสังขารปรุงแต่งเราปรุงแต่งจิตของเราเนี่ยมีตักกะวิต ก, กะสังกัปปะและก็ปรุงแต่งจิตของเรา ลงแต่งแล้วมันก็จะเกิดการสังเคราะห์หรือเกิดการปฏิบัติสู่สัมมาเกิดสัมมาขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อ ย, อ ย, อยมีผมาก็สั่งสมลงเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโซอภินิโรปนาอัปปนาก็คือแน่นแนบแน่นพยัปปนาคือแน่วแน่แนบแน่นมันแน่นมันเป็นลักษณะของการผนึก เป็นลักษณะของพลังงานพลังงานศักด์เกิดเป็นพลังงานศักด์นะอย่างนี้มันเกิดพลังงานศักด์ส่วนตักกะวิตกะแล้วก็สังขารเนี่ยมันจะเกิดการสังเคราะห์เกิดไปมันก็จะเกิดเป็นพลังงานจนพลังงานจนเกิดพลังงานเคมีพลังงานจนเคมีพลังงานมันจะเกิดสภาพของเนี้ย แล้วก็สั่งสมลงไปเป็น potential energy มันจะมีสองลักษณะอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าศึกษามาละเอียดมากก่อนสมัยนี้แล้วแค่พลังงานทางวัตถุนี่พระพุทธเจ้าศึกษาทางพลังงานทางวิญญาณเียรียนมาเนี่ยพลังงานศักพลังงานจนอะไรเนอะพระพุทธเจ้าตราสมาเนี่ยตมามาวิเคราะห์ให้ฟังจับมู่ให้ฟังนี่เป็นลัลกษณะ s t ต t i น แน่วแน่แนบแน่แน่วแ น, แ น, วแน่แล้วก็ปักมั่นเจตโซอภินิโรปนาในปักมั่นปฏิกิริยาของการดำมริมาแล้วก็สังเคราะห์เลยตรวจสอบมันเริ่มดำมริเป็นกามวิตตกหรือเป็นพยาบาทวิตกหรือเป็นวิหิงสาวิตกนี่คือพวกมิจฉาพวกที่ไม่ดีนะและเราก็อ่านในอาการอย่างนี้เนาะนี่มันเริ่มดัมิ อาตมาสอนหรือแนะนํามาพระุทธเจ้าตรัสไปนี่สอนมาตั้งแต่ว่าเริ่มดํำดิ่ตั้งแต่ตัวแรกอารัมปรพาธาตุและอารัมพาธาตุนิกมกมาธาตุปรกามธาตุถามาธาตุทิติาธาตุอุปกรรมาธาตุคือเป็นลักษณะของพลังงานทางจิตเนี่ยมันเริ่มก่อวอดขึ้นมาจะเริ่มเกิดแล้วเนี่ยเรียกว่าอารัพาธาตุธาตุตัวนี้กําลังจะมีอาการเกิดมานี่เรามา ฟังเทปเนี่ได้เห็นอาตมาทำมือทำไม้ถ้ามีกระดานก็เขียนให้ดูนะเหมือนครูสอนอะนะแต่ถ้าคุณฟังแต่เทปก็ไม่เห็นอะไรก็นั่งจินตนาการเอาเองท่านว่าดํม ร, อรีอ้าวดัมรีไอนี้อาตมาทํามือให้ดูเริ่มก็อพอดํมรีเริ่มติดเริ่มดํมรีเพิ่มเรียกว่าอารัมพธาตุปลารบจากตัวที่เริ่มอารัมพธาตุอารัมพธาตุปรารบตัวสิ่งที่เริ่มยังไม่ถือเป็นกรรมนะ ยังไม่ถือเป็นตัวเป็นตนพลังงานที่ก่อจากจิตเดียจนเป็นนิกกามธาตุสตัวมันจะเกิดจับตัวเป็นพลังจะเป็นตัวเป็นตนแล้วจะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแต่ยังไม่ออกไปจากอันนี้ยังไม่ไปไหนยังเป็นความคิดของตนอยู่ของตนเท่านั้นเองยังไม่ไปทําปฏิกิริยากับอะไรยังไม่ก่อกรรมยังไม่ก่อกรรมพอเป็นปรัคกามธาตุประนี่เป็นอื่นเป็นอีกอันหนึ่งต่างหากจากอันนี้แล้ว ปรั ก, กรรมธาตุมันก็จะเริ่มมีทิศทางออกมากิริยาของจิตมันจะออกมาแล้วมาสู่ข้างนอกครับถามธาตุพอพลังดํมบีนี้เสริมพลังงานเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นถามมาแปลว่ากําลังมีกําลังก็จะเป็นกําลังแล้วทีนี้มันมีกระแสแล้วเป็นรัศมีแล้วมีจุดมุ่งหมายแล้วเริ่มต้นเป็นปรั ก, กรกกรมธาตุเนี่ยเป็นกรรมแล้วสั่งสมแล้วถ้าเป็น มิจฉาสังกปะก็เริ่มมีชั่วหนึ่งคะแนนแล้วยังไม่ไปถูกใครนะยังไม่ไปถูกใครนะเป็นมโนกรรมนะเป็นมโนกรรมนะยังไม่ไปถูกใครยังไม่ไปกระทบใครแต่กระทบตนเท่านั้นตนเป็นกรรมถ้าเป็นทิศ ท, ทางเป็นกุศลก็เป็นกุศลถ้าเป็นอกุศลก็เริ่มสั่งสมนับเป็นวิบากแล้วตั้งแต่ปรรักกรมาธาตุมาถามาธาตุมีกาลัง ตอนนี้จะออกอารวาสแล้วถ้าเป็นชั่วก็เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะถามพระตุทิฏิธาตอนนี้มีหลักเลยทิตินี่แปลว่ามั่นแม่ไม่หลักตั้งมัน่นถามคือกําลังเกิดโปรตอนอิเล็กตรอนแตอนนี้หรือเกิดลักษณะสองอย่างถ้าไปบอกว่าก็เหมือนกันนะ่ะ s t a ติ c d y n a มิกหรือว่าพลังงานศักพลังงานจนเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละมันก็จะมีสองตัวนี่เกิดแล้วตัวหนึ่งเป็นหลัก ดัยึดหลักที่จะพุ่งจะแรงเป็นกำลังและก็มีทิศมีหลักกาลังสุดท้ายก็อุ ป, ปกรรมธาตุท่านแปลเป็นภาษาว่าเป็นเป็นความพยายามความพยายามตอนนี้เอาแน่ตอนตรวจสอบแล้วออกมาแล้วมันก็จะออกมาจากจิตออกมาทำงานทางกายวาจาอะไรก็แล้วแต่มันก็จะออกมาแล้วเนี่ยเป็นลักษณะที่อาตมาเอามาพูดเป็นรูปธรรมให้คุณฟัง ละเอียดลรา อ, อมาเลยต้องอ่านจิตของเราแล้วบอกว่ า, าสภาพของตะ ก, กะเป็นยังไงเริ่มดั่มฤตยังไงอะพิตะ ก, กะมันก็เป็นตัวตนขึ้นมาแล้วสังกปะก็เป็นตัวดํามฤตความคิดจากหกเจ็ธาตุพยายามนี่แมันรวมมาเป็นสังกปะเป็นความดํามฤตนึกคิดที่เต็มตัวออกทํางานเลยมันจะปรุงอยู่ข้างในนั่นก่อนเลยปรุงอยู่ข้า ง, งเรียกว่าสังขารวจีสังขาราวจีสังขา ร, ขารมันจะออกมาเป็นวจีหรือมาเป็นกายการรมต่อไป เพราะงั้นถ้าเรียนรู้จิตอย่างที่อาตมาอธิบายฟังคร่าวๆนี้นะแล้วอ่านไปค่อยๆศึกษาไปเกิดมุทุพูเตเกิดจิตที่แวววายจิตจะมีญาณแล้วก็รู้อ่านจิตของเราเองด้วยมีการกระทบสัมผัสมีอะไรมันจะเกิดปฏิกิริยาดูเรื่อยแล้วเราก็จะต้องศึกษามีสติปัญญาน4มีสมรปัญานีมีอธิบาตสีฝึกอยู่เรื่อยแหละ ดูกายในกายดูเวทนาในเวทนาดูอารมณ์ของเราวิเคราะห์ในเวทนาอาตมาก็แยกแย้ไฟังแล้วถึงเวทนาร0 8ใช่ไหมรู้เลยว่าเออมันไปยังไงมันเป็นอันนี้เราเรียกว่ากายเรียกว่าเวทนาทางกายอันนี้เรียกว่าเวทนาทางจิตกายยิกเวทนาเรือว่าเจตสิกเวทนาอะไรก็แยกตั้งแต่เวทนา2เวทนา3าเวทนา5เวทนา6 เวทนา18บปเวทนา36หอะไรอย่างนต่มาก็วิเคราะห์ไฟังแล้วท่า่วันนี้มันก็ไม่มีเวลาอะไรหรอกพูดไปพูดมาเนี่ยพึ่งเริ่มเทก็จะตีห้าแล้วนะจน ร้อน่ะถ้าเราอ่านออกเวทนาคือในจิตของเรานะี่ยแหละมีอาการพวกนี้เรียกว่าเจต ส, สิกซ้อนอยู่ในจิตของเราเรียกว่าเวทนาแล้วในเวทนามันก็นปรุงเป็นสุขเป็นทุกข์ปรุงเป็นเคหะสิตาปรุงเป็นเนคขมมะปรุงอะไรถ้าเราเรียนรู้เนคขมมะโลกุตระเนี่ยมันก็จะชัดเจนอ๋อโลกุตระนี่คืออะไรโลกุตระคือเรียนรู้จิตของตอนเองอ่านจิตของตอนเองวิเคราะห์กิเลสหรืออาการของจิตเนี่ยมันเรียกมันว่ากิเลส เรียกมันว่าตัวสมุทรไทยกิเลสหรือกัตัญหาแล้วแต่หรือว่าอุปทานก็ตามใจกิเลสก็มีหลายลักษณะมากมายนับไม่ถ้วนนะเขาบอกกิเลสร้อยห้าตัญหาเอ้กิเลสพันหตัญหาเอ้ไม่กี่อะไรกิเลสกิเลสพันหัตัญหาร้อยแะในพระอภิธรรมจดไว้เงินคุณว่ากิเลสของคุณมี 100, 5, ร้อยพันหาเลยตัญหาคุณมี 108, ร้อยแเหรอ อาตมาว่ามีมร้อยเก้ามั้งพระทมันจะไป น, นับเป็นร้อยถิ่นไหนได้มันเป็นล้านกิเลสต่างๆลักษณะคล้ายกันลักษณะดังนั้นอย่างนี้โอ้คนละตระกูลไม่รู้ตระกูลอย่างไรซับซ้อนผส ม, มพันออกมามาเป็นสังขารธรรมมาเป็นตัวกิเลสไปเป็นตัวอะไรนี่วิงทุกวันนี้นับไม่ท่วนนับไม่ท่วนหรอกแต่เอาเอถอะท่าจะตั้งว่า ตันกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดอะไรคุณก็ไปเอามาเรียนกันแล้วกันให้มันรู้ว่าโอ้อันนี้หมายถึงอันนี้พยัญชนะบอกว่าอย่างนี้มันจริงเลยมันก็จะดีมันไม่ใช่ของเสียหายหรอกท่านบอกว่ามีเท่านี้ก็ไล่ชื่อด้วยนะพัน0้ามีอย่างนี้ชื่ออยังงี้ตันหาร้อก็มีอย่างงี้งท่านไล่ด้วยนะพระบิธรรมนเนี่ยก็ดีอ่ะอ่านสภาวะให้มันได้ก็แล้วกันแล้วเรารู้แล้วก็จะโอ้โหมันไม่ใช่มีเท่านั้นหรอกจริงๆมันไม่มีเท่านั้นมีเยอะกว่านั้นแต่เอาเถอเอาแต่แค่พันพันห้ากับร้อยแปด้ี่ให รับรองและจับให้มันถูกอ่านใจให้ได้เพราะการฝึกการเรียนของพระเจ้านี้โลกุตระคือคือลักษณะที่เราเรียนรู้จิตของเราได้ได้สังวรมีส ม, มัคประธานมีสังวรประทานประหานประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานในส ม, มัคประธานสี่สังวรก็คือเราก็ระมัดระวังสังวรก็คือระมัดระวังกายวาจาใจระมัดระวังตาหูจมกูกลิ้นกายใจระมัดระวัง ก็กรรมกิริยาและอาการที่กระทบสัมผัสทั้งทวารหกมันเกิดเป็นไงเกิดในอารมณ์เรียกเวทนาเรียกว่าอารมณ์เกิดไ้อารมณ์จับดูอา่านอารมณ์ไปพรางฝึกยานที่ฝึกเราเนี่ย ฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะชำนาญมันก็จะจับมันตกบ่อยอ่ะมันก็ไม่ค่อยมันไม่คยรู้ตัวมันไปมันพากิเลสมันพาไปก่อนแล้วค่อยรู้นี่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราไม่ได้สังวรเราไม่ได้รับรู้ตัวเองเลยเราไม่มีสติสติเราตกไม่รู้กายในกายไม่รู้เวทนาในเวทนาไม่รู้จิตในจิตไม่รู้ธรรมในธรรมธรรมในธรรมมีอะไรมีอักขุสสและธรรมเรียกว่านิ่วอนห้าธรรมในธรรมมันมันมีห้าหมวดธรรมในธรรมมีนิ่วอนหอ่า อุปท า, านขันห้าอายตนะหกโพชชงเจ็ดอริยสัจสีนี่เป็นหัวข้อหลักธรรมทั้งห้านิวอนห้านี่แหละเป็นตัวสำคัญที่เราจะต้องรู้ส่วนโพชชงเจ็ดหรืออริยสัจสีเป็นหลักใหญ่ๆ ที่เราใช้อยู่เราเรียนอยู่อริยสัจ4ีโพธชงเจตก็ต้องใช้ทั้งจริงๆในภาคปฏิบัตินี่มรคองแปดก็อยู่ในอริยสัจ4ีนี่แหละเราเอามาใช้แล้วโพธชงเจตมรค8นี่มาแล้วอริยสัจ4ีกับโพธชงเจตนี่เราต้องเรียนรู้เป็นหลักใหญ่แล้วเอามาใช้เวลาปฏิบัติเพราะปฏิบัติไปนิวรห่านี่เป็นตัวละเอียดอาการมีในนิวรห่าเท่านั้นแหละส่วนอุปทานขันห่านั้นก็คือเรียนรู้กิเลสอาการนิวนนี่เป็นตัวกิเลสกิเลสนี่มัน เรายึดอยู่อย่างไรอาตมากเคยทิ่ใบฟังเรากิเลสตัณหาอุปทานมันต่างกันอุปทานขันห้าเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วเราไม่ใช่อุปทานใค่ขันห้าเราไปอุปทานไปยึดติดน น, น่ น, นนัหนีหนีเป็นของเราเป็นสิ่งที่น่าด่าย่ามีหน้าเป็นโอ้มหาสารน้าขา่าน้าแกงหน้าทําลายมากมายอุปทานยึดถือไว้ทั้งนั้นแหละแล้วไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง อันนี้ก็ของเราอันนี้ก็ของเราอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราอยากจะฆ่าอยากจะแกงอยากจะทำลายให้ขวางหูขวางตาหรือให้พ้นโลกนี้ไปมอยา่อยามาอยู่ร่วมโลกว่าไงนะอย่ามาอยู่ร่ว ม, วมอยู่ร่วมเอกภพเอาให้มันใหญ่ไปเลย <c oughs> จะทำลายก็ให้สิ้นอะไรใจไปทำลายเขาไม่อยู่ในเอกภพได้เนะี่ยเขานิพานนะไม่เหลืออยู่ในเอกภพนะเขานีพานนะถ้าทำให้เขา ไ, ได้อย่างนั้นอาตมาก็จะยอมให้ทำ เชิญเลยอาคาตอาตมาหมอยไอ้ น, นี่ไม่อยู่ร่วมโลกเลยทำลายมันจะไม่อยู่นี่มันสูญสิ้นไปจากโลกนี้มันยังเล็กไปศูนย์สิส้นไปจากเอกภพนี้สาธุเราจะได้นิพานเลยเพราะไม่อยู่ในมหาเอกภพไม่อยู่ในอะไรแล้วมันก็คือไม่เกิดไม่ตายไม่วนเวียนอีกแล้วก็ศูนย์เลยใช่ไหมมันก็นิพานปรินิพานไปเลยเชิญนิมนต์ช่วยหน่อยถ้ากระจากอาคาตขนาดนั้นนะ ทำลายเราให้หมดสิ้นแหลกสลายสูญไปไม่อยู่ในแม้แต่มาหาเอกภพนี้ันเลยนะสบายปริถนิพานเลย <c oughs> ความจริงมันทำไม่ได้หรอกนะมันต้องทำเองจากปริถนิพานอย่างนั้นมันเป็นเรื่องกุศลมันไม่ใช่เรื่องของอกุศลไอจะไปทำลายเขาเนี่ยมันทำทรายทำลายเขานี่มันอกุศลนะถ้าเราสามารถที่จะรู้แม่นิวรณอุปทาน กินเลตคือสิ่งที่ไปรับฟังมานี่มันก่อสร้างมันหลอกมาตลอดเวลาเลยกีระดังได้ยินมาโอ้อันนี้มันดีเดี๋ยวนี้นี่มันบอลอแมพนันบอลตอนนี้จะถ่ายบอลโลกแล้วนี่ตีกันแย่งชิงกันนี่ถ่ายทอดอตกเสียงเงินจ่ายถ่ายทอดอะไร โทรทัศน์อีกหน่อยก็จะไม่ได้ดูอะไรแล้วมันจะถ่ายทอดแต่ไอบอลโลกเนี่ยตกลงมันเป็นมีทีวีทีวีพูลและมันก็จะต้องถ่ายด้วยการพร้อมกันหมดเลยไม่ต้องรู้อย่างอื่นหรอกมันเตะฟุตบอลอยู่ในโทรทัศน์ในโทรทัศน์ที่สร้างมาเพื่อที่จะเป็นค่าทาสนายทุนที่มันจะถ่ายทอดเตะฟุตบอลไอพวกนี้ยิ่งใหญ่รอบโลกเลยเนี่ยนะจะต้องดูมันอื่นๆไม่ได้ดูหรอกถ้าไม่ดูทีวีตอนนั้นก็จะต้องปิดไปหมดนะไม่มีทุกช่อง มันจะต้องถ่ายร่วมกันหมดเลยให้บังคับให้ดูเลยเห็นไหมเนี่ยอำนาจของทุนนิยมพวกนายทุนเนี่ยบังคับให้ดูเลยเป็นจ่ายเงินจ่ายทองแล้วต้องไปหาเงินต้องไปหาสปอนเซอร์มา <c oughs> เพื่อที่จะฉาย น, นี้นะขาดทุนมั่งไม่กําไรมั่งถ้าไม่ทำซึ่งก็ไม่ได้ตกข่าวเพราะตอนนี้เป็นทาตเรื่องของการพนันเตะฟุตบอลแล้วอบายยมุกอันนี้ครองโลกอัตรมาเคยพยากรณ์ไว้แล้วอบายยมุกเรื่องการกีฬาเนี่ยจะทําให้โลกทั้งโลกนี่ฉิบหายคอยดู ปีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อาจจะปีที่ร้อยเจดจากนี้ไปมันจะทำลายหรือไม่ถึงก็ได้ใ่รู้สึกมันเข้มข้นขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ถึงร้อปีอ่ะคอยดูวิกฤตที่เกิดมาแต่กีฬาจะเป็นบอลเป็นบาสเกตเป็นอะไรก็แล้วแต่นี้แหละไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวนี้บอลมันขึ้นมอดเป็นที่หนึ่งมั้งมีมวยมีบอลอะไรพวกนี้ยคอยดูเหอะมันจะทำลายให้โลกนี้ฉิบหายจะเกิดอย่างไรก็คอยดูกันแล้วกันวิกฤตใหญห่ยิ่งก็เศรษฐกิจฟองสบู่แตกคอยดูที เพราะเฟสกิฟพองตะบูตแตกยังมีกุศลที่คนเราเจตนาสร้างสรรอยู่ในนั้นด้วยไอ้นี่ไม่มีสร้างสรรขี้มาอะไรเลยนี่ขณะนี้นี่พนันคนไทยเขาได้เช็คออกมาแล้วดอกเตอร์สังสิทธ์ทำวิจัยคนไทยพนันบอลประมาณสองล้านคนใน62ล้านคนขนาดนี้ วิจัยนี่มันไม่ได้ครบหรอกที่มันได้มามันก็แค่นั้นนะถ้าวิจัยครบจริงๆเลยมันจะไม่แค่สองล้านหรอกแตมาว่ามันพนันบอลกันเนี่ยใน62ล้านคนเนี่ยในขณะนี้พนันบอลรุ่นหนุ่มสาวมากที่สุดรุ่นหนุ่มสาวมากที่สุดพนันบอลอย่างเดียวเนี่ยมันพนันนี่นะบอลโลกบอลอะไรมันรู้จังหมดเลยดาวนูราโพธิรักษ์มันไม่รู้ แต่มารู้เออคนต่างชาติชาติไหนชาติไหนไม่รู้โอ้โหเป็นดา ร, ราเตะบอกมันรู้ดีเลยนะบอกโพธิรักอะไรวะไม่รู้เรื่องโพธิรักไม่รู้คนไทยนะถามคนไทยนะไม่รู้จักโพธิรักหรอกเอมันไปรู้โน่นอะไรก็หมายรู้ไม่รู้ว่าญาิเก่าเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เก็ไปรู้ทั้งโน้นครับอาตมามันก็ปากชัดอย่างเงี้ยเนาะก็หาว่าปากจัดเนี่ย เมื่อเรารู้กิเลสนี่กิรดังได้ยินมาสารพัด ท, ที่บอกว่าไอนะ้นี่มันดีนะไอ้นี่มันดีนะโอ้ยแฟชช่งแฟชั่นอย่างโน้นนั่น น, นี่เปิดบ้านใหญ่เพื่อที่จะแสดงเพชรแล้วก็เอากระเทยมาใส่เพชรโชว์ไอ้กระเทยกโท็โถมันเข้าโรงพยาบาลอยู่นะนี่ข่าวรัดรัดไม่เท่าไหร่ใครรู้มั้งข่าวนี้ใครรู้มังเนี่ยมันเปิด บ้านเขาเมื่อเขาเปิดบ้านเขาสร้างบ้านเข้ามา60ล้านแล้วก็เปิดเลยไม่ต้องไปจ้างโรงแรมเดินเลยเนี่ยเอาบอกว่านี่จัดคอลเลกชันเพชรของฉันนะแล้วฉันก็มาโชว์เพชรก็ ม, มาเจอเช อ, เอพวกเชิญพวกไฮโซไฮซ้อเขอาเรียกไฮโซไฮซ้อมากันต่างคนต่างอวดกันมาเลยโ hood คอดําคอเหลืองคอเขียวคอแดงอะไรมาต่างๆนานาเลยนะไม่ใช่งูนะอะไรก็ไม่รู้อะคอแดงคอโชว์กันเต็มหูเต็มคออะไรมา คือมันเป็นสังคมที่มัน อ, อัตมาว่ามันฟังแล้วมันมันเยิมเย่อยังไงคือเขาไม่เข้าใจนะเขาก็บอกว่านี่เรายอดแห่งมนุษย์เลยเป็นมนุษย์ที่บอกว่าเจริญรุ่งเรืองฟุ้งเฟ้อนี่แหละเขาก็ไม่เข้าใจจัดงานกันเนี่ยทำไมนั่งอยู่เป็นพันนี่ไม่ได้รู้ข่าวนี้เลยเหร อ, อดรับมาก็อ่านหนังสือพิมพ์รู้ แต่รู้ไม่อยากพูดทำไมอะมันเป็นยังไงอัตมาถามมันมันรู้แล้วก็บอกว่าไม่รู้มบอกว่ารู้ไม่ได้ไงอะไรสาระถึงไรสาระเราก็รู้เขาได้บ้างเอาดีถ้าคุณไม่รู้ก็มาเสียวเวลาเอาเวลาไปทำงานกันแล้วกันไปสร้างสรรค์กันแล้วกันดนีไม่มีปัญหาหรอก น่ะเอาละไม่รู้อาตมารู้เอามาพูดสู่ฟังอาตมาก็คอยดูคอยอะไรมาหิบมาสู่ฟังคือมันจะบอกเราตลอดเวลาเลยเราไม่เจตนาจะต้องไปรู้หรอกมันก็รู้เพราะทุกวันเนี้ยให้ปิดตาหูจมูกิีนกายปิดทวารหมดเลยทั้งหทวารมันก็ยังรู้เลยเนีเอากระเทยมาเดินเพชรทําเป็นแว่นตาข้างเดียวอะไรเงี้ยและเป็นกระเทออยจริงจริงะ น, น, นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลมันก็อุตส่าห์ฝืนใจมาเดินเสร็จกลับ โรงพยาบาลให้น้ําเกลือต่อไอคนก็เดินเดินแฟชั่นอันนี้ทําไมมันขาดคนยังไงถึงขนาดจะต้องเอาคนนี้มาเดินและไอคนนี้ก็ต้องป่วยด้วยป่วยก็ไม่ละเว้นให้มันมาเดินอาตมากรรมมันยิ่งใหญ่อะไรกันขนาดนั้นเว้ยยั ง, งงงงอยู่เลยนีมันอะไรกันไม่รู้เนี่ยงี้เป็นต้นก็กโง่กันโอ้ยชื่นชมน สังเกตเสริญเยือนยอกันอะไรเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยปลุกเร้ากันขึ้นมานิยมเงินขึ้นมาสิ่งที่เลวร้ายอะไรก็ไม่รู้ละฟุ่งเฟอ้อสูญเสียอะไรก็ไม่รู้แทนที่จะเอามาเป็นสาระมาคนจนคนยากคนขาดแคลนสภาพคล่องอะไรก็ว่ากันไปสิสเศรษฐกิจยังง่นอย่างงี้ไม่ไอ่ติดเฟอ้อไอ้ที่อะไรก็ทําไปทําลายไป ถ้าเผอว่าจ่ายคุณค่าจ่ายเงินจ่ายทองไปนี่ยนะเกิดการสร้างสรงสรค์าทางจิตวิญญาณเกิดการสร้างสรรค์ทางอะไรใดขึ้นมาก็ยังดีนะนี่มนะันนั่อร้านมาไม่เห็นมองไม่เห็นว่ามันสร้างสรรค์อะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่คนไม่รู้ก็ไปกินละดังได้ยินมากิเลียได้ยินมากันโอ้ชื่นชอบมีเลยก็เริมละชอบจับผูกก็มาสั่งลงสมลงไปในจิตว่าเออนี่นานเออเยี่ยมแมนน่ดี่ ด, ดีลงไปสั่งสมปก็เป็นบททานยึดติด อุปทานแปลว่าการความยึดความติดสั่งสมอุปทานนอนเนื่องอย่านจิงในอุปทานไม่มีปฏิกิริยาอุปทานคือ ส, สิ่งที่สั่งสมยึดติดไว้ตั้งแต่น่ อ, อนๆออจนกระทั่งแก่จนกระทั่งแน่นจนกระทั่งลางยากเป็นอุปทานพอเป็นอุปทานแล้วจากกิเลส ร, รับมาเนี่ยได้จากที่เขาหลอกมาตลอดเนี่ยมาผนึกไว้จากกิเลสมาเป็นอุปทาน เสร็จแล้วมันขึ้นมาทำงานเมื่อใดเมื่อนั้นเรียกมันว่าตัณหาฟังให้ดีเข้าใจกิเลสตัณหาอุปทานให้ชัดเจนมันยังไม่ทำงานเมื่อใดมันก็เป็นอุปทานอยู่เท่านั้นแต่ถ้าคุณล้างมันออกหมดมันก็หมดอุปทานพร้อมกับตัวคำว่ากิเลสก็หายไปด้วยและมันก็ไม่มีที่จะมาขึ้นมาเป็นตัณหาด้วยเพราะฉะนั้นสุดท้ายจริง เรีกตัวอุปทานเนี่ยล้างหมดสุดอุปทานตั้งแต่อุปทานทางกามอุปทานทางอัตตาล้างล้างล้างล้างไปจนหมดอุปทานทางความสนุกความเพลิดเพลินการปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้จนกระทั้งถึงวัตถุเป็นโอราริกะอัตตาเป็นอรูปอรู ป, อ, รปอัตตาก็ล้างหมดอรูปอัตตาก็คือความยึดถือในอารมณ์ในความเป็นนามธรรม ยึดยงยึดยังอร่อยแม้แต่เป็นรูปประชาณรูปประชานเป็นต้นหรืออุปกิเลสอุปกิเลสเช่นว่าเราได้ความสุขเราได้ความยินดีเราได้ความต่ายยึดติดซึ่งเป็นความลึกซึ่งยงเป็นตัวเป็นตนอยู่วิปัสสนูปกิเลสต่างๆแม้แต่ความรู้ปัญญาเราก็ยึดติดเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันไม่มีพิษดอกถ้าเผื่อว่าเป็นปัญญาที่เป็นกุศลปัญญาจริงๆมันไม่เป็นพิษดอกเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อคนอื่นแต่มันไม่เป็นนิพพาน มันยึดเป็นเราเป็นของเรามันยึดเป็นอัตตาอัตตนิยาอยู่อย่างนี้ก็เป็นเรื่องอุปทานเราก็เรียนรู้จนกระทั่งไม่ยึดติดแล้วแม้แต่ความรู้อย่างอต า, woo, อางอตม า, ามีความรู้นี่มายึดติดเป็นเราอยู่นี่ใครมาลบหลู่ไม่ได้ใครมาแตะไม่ได้ในความรู้ของกูอ่าใครอยแตะใครมาวิจารณ์ความรู้ของกูก็ไม่ได้ใครมาย้อนแยง้งใครมาเถียงก็ไม่ได้เนั่องกันเป็นอุปทานที่เลือกเป็นอัตตะเป็นอัตตาของตัวเป็นอรูปอัตตา เราก็เรียนรู้จนกระทั่งเออไม่ต้องไปติดติดหรอกใครจะดูถูกดูแคลนใครจะมาไม่เอาไม่เงิอย่างนี้ใครไม่รับก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้จนเรียนรู้ไม่มีอัตราพวกนี้แต่คุณจะต้องมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันธ์หเพราะฉะนั้นอุปทานขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นตัวสุดท้ายที่คุณจะต้องวางพระอระหันต์ก็ยังมีขันธ์ห้าก็ยังมาติดนิดว่านี่เป็นเรารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราอ่า สัญญาเป็นเราสังขารเป็นเราวิญญาณเป็นเราเนี่เรียกว่าขันธ์หน้ายังลืดว่านี่เป็นเราอยู่พระอาหารหันต์ก็ต้องรู้ว่ามันเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นมันไม่ใช่เราเลยต้องล้างกิเลสอื่นๆมาให้หมดซะ ก, ก่อนจึงจะมาล้างขันธ์หน้าหม่ยจ่ว่า เออรูปไม่เฉราเวทนาไม่ใช่เราโถเอขี่มูราขี่มาแห่งยังเกาะยึดเป็นเราอยู่เลยนี่ก็ที่ของกูนี่ก็บานของกูกุฏิของกูนี่ก็พระเครื่องของกูนี่ก็อะไรของกูนี่ก็ยศตําแหน่งของกูอะไรอยู่ยังจะมาเอออย่าไปยึดเลยรูปไม่เฉราเวทนาไม่เฉราสังขารไม่เฉร่าวิญญาณไม่เฉราอุ้ยเก่งเดินทีเดียวพรวดไปกันบันไดขั้นสุดท้ายเลยบันไดขั้นที่หนึ่งสองสายังไม่ได้เดินเลย ยังไม่ได้ล้างในเลงเลยห้อยตองแต่งผูกทั้งขาผูกทั้งคอผูกทั้งหัวผูกหมดยังไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้เป็นต้นคือมันไม่เป็นลําดับมึงต้นทํากลางบรนปลายเรียนกันทุกวันนี้พมันอยู่ในทําในธรรมีอะไรอุปทานขันหน้าโอ้โหจะต้องล้างขันหเดี๋ยวจะยุดนะว่ า, ารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราใช่ในปัสสาวะพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุภิกษุที่ท่านล้างแล้วท่านทิ้งแล้วโพธิขัขนตาปหายะ อย่าติดบริวติตังประหายาธรมาแล้วทำมาบวชถ้าเป็นพระมีบารมีอ่ะท่านก็สอนไปทั่วสําสหรับพฤกษุ อ, อย่าไปยึดรูปเป็นเราเวทนาเป็นเราพวกที่ศึกษาทำมากันนึกว่าอ่านพระไตรปิฎลอ่านคัำพีอ่านภาษาพระพุทธเจ้ามามากเยอะตัวเองก็ยังเคลอกอยู่ในบ้านในเรือนเลยลูกกับของกูเมียกับของกูมุสมบัติกับของกูอยู่เลยก็ยังจะมาปลดกวางวารูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราท้นี่คือไม่รู้จะขั้นตอนก็อรตามาก็วิจารณให้ฟังนะ ว่าในนิวรณ์หอุปทานขันห้าก็ดีก็ต้องรู้ว่าอุปทานมันคือติดยึดตั้งแต่เป็นตัวเป็นตนตั้งแต่อราทิกาอัตตามโนมยอัตตาอรูปอัตตาอะไรพวกนี้มันยึดยึดติดยึดเป็นเราเป็นของเราตั้งแต่หยาบหยาบอราทิกาอัตตาตั้งแต่โอ้โหอะไรก็ของเราหมดเลยนะก๋วยเตี๋ยวอร่อยนี่ก็ของเรานี่ไม่หยาบเท่าไหร่นะที่ดินนี่ของเราบ้านเรือนนี่ของเรา ทองเพชรอะไรของเราธนบัตรนี่ของเราอะไรของเราโอนี่เมียเราลูกเราหลานเราคนรักของเรานี่เมียน้อยของเราหัวเราะอะไรล่ะก็ไม่มีหรือไงก็มันมีได้อ่ะนะอย่างเงี้ยมันก็โอราดิกาอัตตาก็ยังไม่รู้ จนกระทั่งถึงนามมาทําอรูประอัตตาหรือมโนมยอัตตาเนี่ยสร้างที่มันเห็นเป็นอะไรแต่ใน ร, รูปไปปั้นจนเรียกว่าท่านแปลว่ารูปที่สําเร็จด้วยจิตปั้นอยู่ในพบในผวังก็เป็นรูปมันจนออกมาเป็นข้างนอกลืมตามาก็เห็นโอ้โหนั่นน่ะผีเดินมาโนน่ะเทวดาลอยมาอ่าหรือว่าปรากฏว่าโอ้โหนี่คนนั้นคนนี้เห็นคนนั้นคนนี้ คนที่ตายไปแล้วโอ้เห็นนี่เขามาปรากฏให้เห็นมโนมยัตาทั้งนั้นหรือไปนั่งชาร์นเก่งแหวทางด้านสายเนี่ยสายทางนั่งปรับตานี่ให้บ่งกรรมฐ า, านปรุงนั่นนี่เนื้อไม่เฉรานั้งไม่เฉรามันมีแต่กระดูกไม่แตไ่ไดจงก็ต้องลืมตา ม, มาก็เห็นคนเดินไม่เห็นแต่กระดูกเดินโอ้โหเห็นแต่กระดูกเดินนะคนเดินนี่มองทะลุเลยยิ่งก็เอ็กซเรย์เลยนนะเห็นแต่กระดูกเดินหมมโนมยัตาทั้งนั้นน่ะ มันไม่ไม่จริงหรอกถ้าตาเอ็กซ์เรย์ได้โอ้โหไม่ต้องไปซื้อเลยเครื่องเอ็กซเรย์โอ้โหมองถึงทะลุได้กระดูกได้ <c oughs> ส่องผ่านกันมันไม่ใชม่มันก็สร้างจิตลงมาเป็นมโนมัยตาเดิงตีเขาลือกันเนี่ยโอ้โหเห็นรูปอาจารย์อยู่บนเมฆลอยามาเห็นหลวงปู่แหวนนั่งมาในเมฆอะไรย่รางมโนมัยตาเขาบอกเขานั่งเครื่องบินไม่ได้นะเห็นหลวงปู่แหวนใช่ไหมที่เล่ากันนั่งไปเครื่องบินเห็นหลวงปู่แหวนนั่งอยู่บนเมฆโอ้โห นันแหละมโนมายตตาสร้างมาเสียงก็ตามโอ้ได้ยินเสียงมาเลยนี่โอ้โหพูดมาเลยนันี่นะเพิ่งตายไปสามวันนี่ได้ยินเสียงมาพูดเนี่ยโอ้โหกลิ่นธูปมาเลยเป็นกลิ่นดอกไม้นี่เขาชอบกลิ่นน้ําหอมกันนั่นอันนี้มาอะไรกลิ่นนี่มาก่อนเลยนี่กลิ่นคนนี้เขาชอบอุปทานแล้วก็สร้างสภาพอะไรได้มีนะต่างๆนันนอุปทานเป็นหมูเนี่ยเมื่อย่างที่เห็นอาจารย์อยู่บนพระอาทิตย์นั่นแหละอุปทานเป็นหมู่เห็นเหมือนกันเลยอะไรเงี้ย เรื่องคืจิตทั้งนั้นเลยคนเล่นกลนี่เขาเคยสะกดจิตมันก็สะกดโดยวิธีไม่ไมยากอะไรของเขาเขาทำแล้วก็ชํานาญกันทั้งนี่บอกว่านี่นะนาฬิกาให้ดูนาฬิกาซิเขามีการจูงนําก่อนพูดจูงมาแล้วก็ให้ดูนาฬิกาเวลาเท่านั้นท่านี้นะความจริงไม่ใช่เห็นตรงกันหมดเลยทั้งทั้เ่เวลามันไม่จริงเห็นว่าเป็นเวลาตามที่เขากําหนดจริงหมดเลยตรงกันดูแต่มันไม่ใช่อย่างเขาเคย ทำมาแล้วพวกเล่นกลก็เคยทํามาแล้วหรือสะกดจิตให้เห็นสิ่งที่มันไม่จริงคุณเห็นตามเขาเลยมันไม่จริงนะแต่เห็นตามที่เขานักเล่นกลนนะเขาแสดงนี่พวกนี้มันมีจริงแล้วก็เกิดมาแล้วมากมายนี่มนุมายาอัตตาณา阿าตมาขยายความพวกนี้ฟังนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งที่าศาสนาพระพุทธเจ้าท่านคนพบแล้วก็เอามาสอนเราพอเข้าใจแล้วเราก็ไม่ไปติดไปยึดปลงวางอุปทานต่างๆอุปทานขันห้า แต่มันมีอื่นก่อนขันหน้อายตนะหกนี่ทำในท ำ, นทำต้องรู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหทวา น, นี่เป็นอายตนะคือทวานเป็นเครื่องรับเครื่องต่ออายตนะนอกอายตนะในารูปเสียงกลิน่นรสนี่มันอยู่ข้างนอกตัวเรียกว่าอายตนะนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจมันอยู่ที่อวัยวะของเราเป็นอายตนะในาเป็นตัวที่รับ จากนั้นมากระทบแล้วเราก็รับมาใส่ตัวเราแล้วก็เป็นอยู่ตงนั้นถ้าเราไม่มีอุปทานในอายตนะไม่มีอุปทานอื่นๆมาต่อเนื่องกันจากอายตนะไม่มีอุปทานไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสไม่มีอุปทานไม่มีอะไรแล้วมันก็เหลือแต่อายตนะเครื่องอาศัยนั่นแหละจึงจะมาเข้าใจว่าอ๋ออายตนะก็คือเครื่องอาศัยไม่ต้องยึดแม้ในอายตนะมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่เรา สุดยอดที่สุดก็คืออายตนะอายตนะนะปรงวางได้รู้ว่าอายตนะคือทวารรับต่อรู้จากข้างนอกมาถึงข้างในมาถึงข้างในมาถึงธรมารมมาถึงในจิตจิตในจิตเลยก็เท่านั้นเองนะอันนี้เป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานที่เราจะต้องมาศึกษาอัตมาตั้งใจว่าจะเทศถึงเรื่องเทวนิยมกับอาเทวนิยม เทวนิยมเป็นาศาสนาเก่าแก่ยึดติดมาตั้งแต่โบราณกาลดึกดาบรร น, นับถือเท พ, พเจ้านับถือพระเจ้าเทวนิยมนิยมก็แปลว่าเราชอบเนี่ยง่ายๆโอ้เรานิยมนิยมการละเล่นนั้นนิยมเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้แปลว่าชอบก็ได้แปลว่ากำหนดแปลว่านับถือกำหนดอย่างนั้นกำหนดอย่างนี้นกหนดพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดนั่นแหละเทวนิยม กำหนดเทพเจ้าเป็นสิ่งสูงเทพเจ้าองค์นั้นองน์นี้ตั้งชื่อมาเยอะแย ะ, ยะสมัยโบราณตั้งแต่สมัยกรีกสมัยโรมันหรือสมัยทังด้านตะวันออกเราก็มีนะมีทั้งด้านจีนก็ก็มีชื่อเทพเจ้าด้านนี้เยอะแย ะ, ยะอาตมาเขาไม่เคยจําทางอินเดียก็มีเยอะแย ะ, ยะทางไทยนี่ไม่เคยมีไทยไม่เคยมีไม่ได้เป็นเจ้าไม่ได้เป็นาศาสดาอะไรเท่าไหรไทยนะไม่เคยมีแต่ต่อไปในอนาคตจะมีมีาศาสดาในไทย นะแต่ก่อนนี่มีในจีนเขาก็มีศาสนาในอินเดียก็มีศาสดาที่เป็นประเทศใจเป็นประเทศที่มีพลเมืองมากเป็นคนที่รวมตัวกันกรอบกอบ่อกันเป็นวัฒนธรรมเป็นสังคมมนุษยชาติมาเยอะพระก็มีอินเดียมีเยอะจีนก็เยอะมีศาสนาในจีนเขาก็มีนะเพราคนพวกนี้ก็เรียนรู้ส่วนมากแล้ว เป็นเทวนิยมศาสดาต่างๆเนี่ยพอพลังงานที่เป็นเทวะที่เป็นเทวะสูงสุดที่เป็นอนาญญํานาจใหญ่ที่เป็นความดีใหญ่ที่เป็นสิ่งที่มันมีพลังใหญ่เนี่ยเขายังไม่รู้เขายังไม่รู้เขาคิดว่าอนานันอันบดดานแต่ตัวผู้ที่เขามีพลังพิเศษในตัวเขาเนี่ยมีพลังที่สามารถที่จะเหมือนปาฏิหาริย์มีนมมีนี่นนะีแล้วก็เข้าใจอะไรหลายอย่างเนี่ยอย่างศาสดาทาง ศาสนาที่เป็นมีพระเจ้านี่นะเขาก็ไม่รู้จักพระเจ้าแต่เขาก็รู้จักพระเจ้ารู้จักว่าพระเจ้าคือพลังชนิดหนึ่งแต่ตัวเขาได้สั่งสมกุศลมาสั่งสมกุศลมาเยอะก็มีพลังในตัวเขาสามารถที่จะทำพลังพิเศษรักษาไข้ใบหวยลดน้ำมูกน้ำมนมมีริดมีแรงทาอย่างงี้อย่างงี้ที่โบทีเบทามันอย่างี้มันให้เกิดนี่เกิดเดชอะไรได้ เขาก็ถือว่าเขาก็ไม่เชื่อว่าตัวเขาเขาก็คนคนหนึ่งเขาก็เป็นพลังพิเศษที่ได้จากพระเจ้าเนี่ยประทานมาให้ช่วยคนให้ทำโน้ททำนี้ทำนี้นี่แล้วเขาก็ไม่รู้พลังนี้มันมาจากไหนเขาไม่รู้เขาก็รู้แต่ว่ามีอะไรอันนึงน่มาทำให้เขาเป็นเพราะเขาก็คือคนเขาก็ไม่ มันก็เหมือนกันเนี่ยมันก็มีแขนมีขามีมือมีเท้ามันก็เหมือนกันแต่คนอื่นเขทําไม่ได้ทำํำไมเราทําได้เขาก็ไม่รู้อันนี้มันมาจากไหนเขาก็ต้องบอกมันต้งมีพลังพิเศษอันนึงพออ้อนวอนเขาก็คือตั้งจิตทำคอนเซนเทรตเนี่ยคอนเซนเทรชันตั้งจิตจิตมันก็เป็นสมาธิรวมพลังมันก็เกิดอันนั้นอันนี้อันนี้นีนนนน่เกิดขึ้นมานะ เพระเาะฉะ้นจะเกิดการฝึกจิตเป็นฌานให้รวมจิตเป็นพลังแล้วก็เอาพลังรวมเนี่ยไม่มีอะไรเข้ามารบกวนพลังนี้ก็เป็นพลังมีฤทธิ์มีเดชได้เท่าที่เขาจะทำได้เท่าก็จะมีบุญบารมีเพราะฉะนั้นใครมีกุศลพวกนี้ก็เอามาใช้พวกนี้เสร็จแล้วก็คนก็มาชอบมานิยมพอมานิยมก็คนนี้ก็ที่ตกโบชีเบอะไรอะไรไปสั่งโน้นสังนี้ถ้าเป็นศา ส, สดาปลอม ก็ร่ำรวยไปทําอะไรแต่ไรด้วยได้ไปเช่นพวกศาสดาปลอมจากอินเดียไปหากินอเมริกาโอ้หลอกง่ายคนอเมริกาเนี่ยเกงนั่งสมาธิอย่างเดียวอ่ะหลอกให้นั่งสมาธิมันก็สงบเพราะมันฟุ้งซ่านเยอะคนอเมริกันเนี่ยมันไม่ค่อยหยุดมันก็มานั่งสะกดจิตให้หยุดได้ชอบโอ้โหพวกนี้หลอกเอาเงินมาทําบุญมาเลยเนี่ยอะไรฤทธิ์ชีนี่นะอ่า มหาฤชีหรือศรฤชีไปมีเงินซื้อโหซื้อเครื่องบินส่วนตัวซื้ออะไรอยู่โอเรกอนหรืออะไรเขา อ, อยู่โอเรกอนซื้อที่ซื้อทางซื้ อ, อนาจักรเลยนะมีรถร่อนสลอยถึงเก้าเก้ารอยคันนไงเก้าเกคันไม่ใชนะ่เก้าร้อมีเครื่องบินส่วนตัวมีอะไรๆตกลงทีหลังเขาไล่ออกจากอเมริกาก็จับได้ไม่หลอกขากินเก่งให้มันนั่งสมาธิเท่า น, นั้นแหละ คนก็ชอบมันคือไม่รู้ว่อะไรถูกหลอกหลอกกันไปหลอกกันมาอสาสตราสางี้เห็นง่ายศาสดาหลายคนมีความลึกซึ้งมีปัญญาโอ้สอนให้ทำดีสอนทาดีทดําดีงั้นนะแต่อาจารย์ไม่เป็นไรนะั่งอย่างอาจารย์ต่างๆนี่อาจารย์มีเมียได้แต่ลูกศิษย์จะมีเมียนะแต่งงานไม่ได้หรอกต้องถือศีลแต่อาจารย์ไม่เป็นไรอาจารย์นิ่พ้นแล้วมีเมียได้มีกินอยู่ซูมซืม่อบรุ้มเส่สบายทุกอย่างแต่ลูกศิษย์ต้องถือศีลหมด ศา ส, สนาซี่แสดๆนะอะไรอะ อ, อ, อะไรที่แต่งแสดๆมาลนแะพร่ไปทั่วโลกเลยนะไม่ใชาร็คิสณนะาฮะอนันตมัเอออนัน ต, ม, นนตมักนะศา ส, สดาเขานะมีเมีย ม, ม, มีอะไรกินสูบตดื่มเสพเต็มที่เลยนะกินเหล้ากินอะไรกินวายกินอะไรแต่ลูกศิษย์ห้ามหมดเลยแต่เขาบอกว่าอาจารย์นี่รู้หมดเลย ใครอยู่ส่งไปเป็นต่างประเทศไปอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้อะไรต่างๆนานาเ น, นี่ยทำอะไรอาจารย์รู้หมดเขามีพลังรู้จริงๆด้วยเขสามารถรู้จริงๆด้วยก็คือจิตวิญญาณเนี่ยมันมีพลังพิเศษเพราะยังคนมีกุศลอันนี้คือสามารถทํานี่เป็นโลกียาฌานโลกียสมาธิแล้วก็มันก็สอนให้ทํำดี น, นะก็เลยกลายเป็นาศาสดาหรือเป็นอาจารย์ใหญ่ดีได้คนก็นิยมคือมีอยู่เยอะ มีอยู่เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีคนอย่างนี้อยู่หา ก, กินแบบนี้ทําอย่างนี้ก็มีอยู่แต่ตัวเองเรก็เป็นคนหลอกเเสพสอนแฝงหลอกเสพกินสูบดื่มเสเสพเสพมีกามมีอัตตาอะไรตรไรเสพโดยที่ว่าลูกศิษย์ก็รู้ไม่ทันไงแต่ก็ก็มีคําสอนเพลงอย่างเงี้ยแต่คนดีก็มีศาสดาที่มักน้อยสันโดษจริงอะไรแต่ายจริงก็มี ดีเป็นศาสดาที่ใช้ได้เลยนะแต่ก็มีคุณงามความดีนะซอในสิ่งที่ดีงามวางหลักเกณฑ์ของสังคมอะไรต่ออะไรเป็นดีมากก็เอาส่วนดีมาเถอะสิ่งเล็กสิ่งน้อยก็อย่ากท่านพุทธทาสว่าอย่าไปชังเขาสิ่งไม่ดีชางหัวเขาเอาสิ่งที่ดีเขามาทําอะไรนี่ท่า น, นพุทธทาสว่า ก, าก็ดีนะก็ดีเทวะนิยมมันไม่ละเอียดเพราะไม่รู้จากความจริงที่ลึกซึ้งสุดยอดอย่างนี้อ่านจิตใจตัวเองไม่เป็นแต่รวมจิตตัว เองพยายามทากิจตัวเองให้มีพลังแล้วก็อาศัยกุศลที่ตัวเองมีแต่ก่อนๆมาใช้ประโยชน์ในแต่ละปางแต่ละชาติได้นะนั่นเป็นเทวนิยมแล้วแจกแขนงไปเป็นาศาสนาเป็นาศาสดาอะไรเยอะแย ะ, ยะมากมายเพราะคนมันชอบมีริดมีเดทมีอำนาจอย่างโน้นอย่างงี้บำบัดช่วยเหลือเพื่อไฟอะไรๆพวกนี้ซึ่งมันเป็นการแก้ปลายเหตุไม่ใช่ตนแก้ตน มันเป็นการแก้ปลายเหตุและคนอื่นเป็นคนแก้ให้มันก็ไม่สุดยอดสิพระพุทธเจ้าท่านสอนอัตติอัตโนนาทโถตนต้องพึ่งตนตน ต, ต, ต, ต้องแก้ของตนเองนี่ศาสนาพระุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อเทวนิยมไม่ต้องไปพึ่งพลังพิเศษจากคนนั้นคนนี้พึ่งพลังพิเศษก็พึ่งพลังของตนเอง เพราะฉะนั้นให้บรรล น, นบรรดาญงี้ก็เลยกลายว่าโอ้เราบรรล น, นบรรดาญให้เขาได้าศาสนาเทวนิยมเราบรรลุ น, นบรรดาญเขาได้เราช่วยเขาได้เราช่วยเขาได้เพราะฉะนั้นเราบอกแล้วว่าเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรมันมาทำให้เขามีทิศเขาก็คนเหมือนกันใช่ไหมเขาก็น้นว่าต้องมีพลังพระเจ้ามาให้เขาอีกทีหนึ่งแล้วเขาก็มาช่วยคนนี้ได้นี่คือเทวานิยมสว่วนพระเจ้านั้นหันเข้าหาตนอัตติอัตโนนาโถตนช่วยตนถ้าตนจะมีพลังพิเศษ ถามก่อนพระพุทธเจ้ามีพลังพิเศษไหมมีฤทธิ์ไหมมีแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปจากพระเจ้ามาบรรดาลพระเจ้ามาไม่ท่านสั่งสมมาไม่รู้กี่นานับชาติกุศลของท่านฤทธิดเดชของท่านยุคนนนทเขาใช้กันเยอะท่านก็นต้องต่อสู้ยุคนี้ไม่มีใครมาสร้างฤทธิดเดชแข่งกันหรอกฤทธิดเดชมานี้พวกนี้หลอกกันซะส่วนใหญ่ส่วนจริงมันก็ไม่เก่งอะไรมากมายมันไม่ต้องมาแข่งกันเลยยุคนี้ มันงั้นอาตมาไม่จำเป็นจะต้องไปเอาอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์มาใช้สมัยพระพุทธเจ้านั่นจะต้องใช้บ้างพระพุทธเจ้าเองต้องใช้ปราบริปูมัง่งแต่ท่านก็บอกไว้แล้วใครปฏิบัติเป็นภิกษุแล้วนี่ปฏิบัติอิทธิปาฏิหาริย์อาบัติปฏิบัติอาเทศนาปาฏิหาริย์อาบัติภิกษุไม่มีสิทธิ์แต่ท่านต้องปราบริปูท่านแสดงบ้างแต่ว่าแต่บิดลมียืนยันชัดเจนท่านแสดงบ้างแต่ท่านห้ามสิทธิ์เลยห้าม ห้ามไว้ตั้งแต่ตอนที่พระปิโทนกับพระโมคคลาไปที่เดชหาะไปเอาบาดเหาะกันได้จริงๆแล้วก็ไปเอาบาดมาเพื่อที่จะประกาศว่าไม่ได้ศา ส, สนาพุทธใครก็ดูถูกไม่ได้มันต้องเหาะได้ถึงจะเอาอารหาหันมาเงินทั้งๆที่ไม่เกี่ยวความเป็นอารหันคือล้างกิเลสให้หมดไม่เกี่ยวก็หเหาะเฮอเดินน้าดําดินไอ้นั่นเป็นเรื่องของโลกิยะไม่ใช่โลกุตระโลกุตระนั้นลดกิเลสลูกเดียวลดกิเลสลูกเดียวโลกุตระ ไมเกี่ยวก็ เ, เดิ น, ห อ, ดนหอเดินน้ำดำดินไปหอม า, อ า, ราพระเจ้าถึงบอกว่าเอาบาต ท, ทุบทิ้งยาประกาศ ต, ต่อไปนี่ภิกษุห้ามแม้ใครจะมีจริงก็อย่าปฏิบัติอาบาต ท, ทุกกฎถือว่าอาบาตงนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าก็มีสิทธิ์ของท่านมหาสาวกก็มีผู้กรกลงอัตมาก็พอมี แต่ก่อนมีคราวารว่าก็เล่นอยู่บ้างแต่เสร็จแล้วก็มาได้เรื่องดึกได้โอ้ไม่ดีละทําต่อไปไม่ดีก็เลยเลิกแล้วก็มาบวชมามาทางนี้หยุดแล้วก็ไม่พยายามที่จะไปเอาออกมาใช้อะไรอย่างนี้ไม่ทําไม่พยายามใช้พิสูจน์อนุสาสนีนี่แหละเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดโลกุตระคืออนุสาสนีปาฏิหารขยายความเข้าไปอีกอะเทวนิยมนี้ไม่เอาพลังเทพพลังพระเจ้าพลังบันดาลพลังสิ่งศักดิ์สิทธ เทวไม่รับพลังอย่างนั้นมาแต่พลังนี้เป็นพลังของตน <c oughs> ถ้าเราฝึกฝนทางด้านอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์เราฝึกมันก็เป็นทุกคนได้ฝึกมามากบ้างน้อยบ้างเป็นภาวะปัจจัยเป็นของของตนเป็นบารมีของตนยุดแทบทุกคนเน่ยมันชอบใช่ไหมล่ามันได้แล้วโอ้โหมันเขนะืงนะเก่งนะมีฤทธ มีอิทธิฤทธิ์มีอาเทศนาอย่างรู้ใจคนอย่างรู้รรทํานายทายทักใครทตใครใครจะคิดยังไงเหนื่นอกกลังแช่งเราเนี่ยเรารูโอ้โหมันวิเศษนะตอนนี้กําลังคิดยังไงกับเราเวันวิเศษช่มาเดี๋ยวไปคิดไม่ดีกับใครยังไงคิดดีกับใครมันเก่งอาเทศนาปาฏิหารมันก็อยากได้ทั้งนั้นแล้วก็อยากได้แล้วก็ฝึกใครตนเองมากบ้างน้อยบ้างทุกคนแต่ละชาติแต่ละชาติมาชาติาาตนานก็แล้วแต่ยิ่งมาสนใจใ น, ใ น, ใ น, ใ น, ในธรรมะหรือในสิ่งที่มันเป็นทางนามธรรมา ท, ทางด้านจิตวิญญาณอย่างเงี้ย ก็ทั้งนั้นแหละอย่าไปใส่ใจเลยนะเพราะอะไรเพราะมันจะทําให้ช้าแล้วไปสร้างเวรดีพอได้เป็นได้แล้วมันไปสร้างเวรสร้างหนี้สร้างแบาบปสร้างเวรสร้างเพราะไม่ได้ล้างความโลภไม่ได้ขว้าล้างความเห็นแก่ได้ไม่ได้ล้างไอความโกรธพยาบาทใครมาทําให้ชอบใจก็ไปผูกโกรธแค้นอะไรทําอะไรไปหรือโลภพยาโลภ ล, ล, ลาคะอะไรก็ไปทําอะไร เลอะเทอะเทอะอยู่ตลอดเวลาเพราะเรามีฤทธิ์เข้ามาเขาเาเข้ามาศรัทธาพอเขาศรัทธาคนศรัทธาแล้วมันก็งม ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งายก็อะไร อ, อะไรได้หมดเลยใช่ไหมก็สร้างบาปสร้างเวรอะไรไปโดยเป็นอกุศลที่คนที่เป็นลูกศิษย์หรือคนที่มาศรัทธาแล้วไม่รู้อะไรกระจูงจมูกพาไปเป็นเครื่องมือหรือเป็นที่รองรับให้ตัวเขาเองก่อบาปก่อเวร เพราะเขามีกิเลสจริงใช่ไหมเขาไม่มีหลักประกันเขาไป็นล้างกิเลสเพราะคุณอยากมีฤทธิ์มีเดชนั่นนะเอาอารหันต์ก่อนเป็นหลักประกันได้อรหันต์แล้วทีนี้มันไม่มีราคะโทสะโมหะคุณก็ไม่ก่อบาปก่อเวรคุณจะสั่งสมฤทธิเดชอีกเท่าไหร่เท่าไหร่มันเป็นหลักประกันคุณไม่สร้างฤทธิเดชที่ไม่ก่อบาปก่อเวรนัสร้างไปสิแต่มันยังไม่มีหลักประกันที่ยังมีโลคโกรธหลงอยู่ในตัวเนี่ย ย่าไปเล่นเลยมันก่อบาปก่อเวรซับซ้อนนึกซึ้งมหาศาลเลยพอทําแล้วนี่คนจะศรัทธาเรื่มใส่คนจะชอบแล้วก็ยังมีกามอยู่คุณก็หลอกผู้หญิงเลยคุณยังมีโลภอยู่คุณก็หลอกคนเลยเนี่ยลาบยศสั้เสินคุณก็หากอบโกอยอะไรมันเป็นบาปเป็นนี่เป็นเวคนก็เชื่อเรียกได้ร้องได้คุณศรัทธาซะแล้วใช่ไหมอย่างน้อยคุณขี้โลภอย่างมากอยู่คุณก็บอกนั่นบอกนี่หลอกนั่นหอกนี่คุณก็เอามาให้เอามาให้คุณก็เอามาให้ แต่คุณได้เน่ยคุณเป็นหนี้นะคุณหลอกเขาเขเข้ามายิ่งความไม่เข้าใจแล้วว่าคุณยิ่งไปได้เข้ามาเขาเอามาให้นนึกว่าเป็นสมบัติของเรามันไม่ใช่คุณเป็นหลอกเขาเขาศรัทธาเขางมงายเขาหลงคุณก็ชี้โบชี้เบี้ยความโลภเท่าไร่คุณก็ฉลาดเลี่ยมครูมุมน้ำเออไอเนี่ยนะมันจะต้องใช้อย่างนั้นมันมีอย่างเงี้เออเอามาทำมันนี้สิทํามากๆยิ่งโหบุญของคุณจริงคุณมาทําบุญคุณเป็นบุญแต่ทําบุญที่ไม่มีปัญญากับทําบุญที่มีปัญญาเนี่ยมันมีอานิสงส์ต่างกัน คนทำบุญด้วยความงมงายทำบุญด้วยความโ ง, งน่นี่แม้จะทํามากมันก็ไม่ได้อ น, นิสงส์เต็มแต่คุณทําบุญด้วยปัญญาบอโอ้เข้าใจนี่เอามาทําบุญนี่ทำบุญคนที่น่าศราัทธาแล้วก็ไปทำบุญที่ท่านเอาไปและคุณก็รู้ว่าท่านเอาไปทําสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ไม่ใช่ท่านเอาไปบําเรอตัวไม่ใช่ท่านเอาไปอะไรก็ไม่รู้แต่ท่านเอาไปสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามอะไรแต่มนุษยชาติเป็นนาบุญที่แท้จริงได้เอออย่างงี้ก็ได้บุญเยอะแล้วเราก็มีปัญญาด้วยไม่ถูกหรอกที่มันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวเยอะ สรุปแล้วก็คืออิทธิปาฏิหารนาเทศนาปาติหานเนี่ยสายเทวนิยมนี่มีเยอะละเล่นกันจัดจัดแล้วก็หลอกกันจัดด้วยอยู่ในสายเทวนิยมส่วนอเทวนิยมแท้นั้นน่ะจัดแท้อย่างไรนั่งอยู่นี่มีเทวนิยมอยู่ทั้งนั้นไม่มีละเว้นยังติดเทวนิยมอยู่ในใจมากบางน้อยบางทั้งนั้นไม่ละเว้น ผู้จะสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดก็คือมีสัมมาทิฏฐิที่สุดแม้โสดาบันก็ยังมีเชื้อของเทวนิยมโสดาบันก็ยังมีเชื้อของเทวนิยมสกิทาคามีก็ยังมีอยู่บ้างต้องอนาคามีขึ้นไปจึงจะหมดเชื้อเทวนิยมได้สมบูรณ์อนาคามีขึ้นไปโสดาสกิทานก็ยังมีเชื้อเทวนิยมอยู่ อเทวนิยมก็คือรู้ว่าพลังของอะไรมันมีจริงอเทวนิยมนี่แต่พลังนั้นรู้จักกรร ม, มสกตารู้จักกรรมเป็นของของตนวิบากเป็นของของตนบา ร, รมีเป็นของของตนสันดานเป็นของของตนพราะรู้ชั่วสันดานนี่ก็คือสิ่งที่สั่งสมเป็นพลวะปัจจัยในตัวเองเป็นวิบากรู้ว่าเรามีสิ่งนี้เป็นสิ่งชั่วแล้วมันก็จะออกฤทธิ์กับเราบ้าง ยังไม่ออกฤทธิ์มันจะคอยออกฤทธิ์ทีหลังบ้างแต่เชื่อและเชื่อกำรรเชื่อวิบากอย่างแท้จริงนสิ่งนี้เป็นกุศลมันก็ออกฤทธิ์ออกเดชให้แกเราบ้างโดยไม่ต้องเรียกร้องโดยไม่ต้องขอแต่จะขอก็ได้ถ้าคุณมีของคุณนะถ้าคุณมีของคุณคุณก็ขอได้ขอให้เออให้ได้อ น, นี้หน่อยขอให้สาเร็จอันนี้หน่อยขอนี่หน่อย ถ้าคุณมีของคุณเองคุณขอก็ได้บางครั้งก็อาจจะไม่ได้มันมีพลังตัดรอนพลังกั้นอะไรบ้างซึ่งมันมีเรื่องของกรรมมีทั้งเยอะตั้งแย ะ, แยะนะขอก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ยังขอได้บ้างแต่ถ้าคุณไม่มีเลยนะให้ขอให้ตายก็ไม่ได้นอกจากคุณจะขมโมยหรือทําทุ จ, จริตเอาของเขา มันก็บาปแท้ๆชัดๆนะได้คุณทําบาปก็ได้เหมือนงั้นนะเชื่อไหมว่าทําบาปเนี่ยได้ไม่ใช่ของเรามันกเอาได้ก็บาปมาแหละบาปอย่างยามหรืออย่างละเอียดอะไรก็ตามใจนะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าสอนเรานี่ไม่ต้องขอจึงเป็นลัทธิอเทวนิยมไม่ต้องอ้อนวอนร้องขอไม่ต้องขอเลยให้มันมีของตนจนล้นเมื่อล้นออกมามันก็ออกมาเอง ถ้าอาตมานี่นะที่จริงอาตมามีบุญมีกุศลอยู่พอสมควรถ้าอาตมาจะใช้วิธีพูดวิธีบรรยายวิธีหวานล้อมทำให้พวกคุณเนี่ยศรัท ธ, ธาแล้วก็หนักไปในทางทานฟังให้ดีนะมีมีกุศโลบายกลวิธีในการที่จะให้พวกคุณนี่หนักไปในทางทาน แลอะอาตมาก็สร้างสภาพอะไรไรให้บวกคุณทำานเนี่ยอาตมาจะได้มากกว่านี้แต่อาตมาเสียวเสียวตัวเองจะขาดทุนกลัวบุญหมดบุญเรามีพวกคุณมีสิ่งที่จะต้องวนเวียนมาเนี่ยมีพูดง่ายๆสมมติว่าคล้ายๆกับกพวกคุณเนี่ยเป็นเสมียนเก็บรักษาเงินไว้ให้อาตมาเนี่ย บอกคุณเมือสมียนที่เก็บรักษาเงินแม่อาตมามีจุดคนเนี้ยอาตมาบอกว่าเอามาหน่อยสินะหรือว่าใช้วิธีบอกถ้ามันบอกกรงกรงมันก็ไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันจะต้องใช้กุสโลบายในว่าบอกนี้คุณเป็นเสมียนแต่เปข อ, ของของอาตมานะคุณก็จะเอามาให้เอามาให้ท่นนี้ถ้าพูดเก่งมีปฏิภาณมีความเชื่อคุณก็เชื่อมากขึ้นมากขึ้นศรัทธามากขึ้นอตาตมาก็ยามใจนะพูดเอามาเรื่อยเรื่อยเจนบุญมันหมด เะเมียนคุณหยิบมาหยิบมาไปหยิบของใครก็ไม่รู้มาให้อาตมาบางังของคุณเองบ้างอาตมาก็เป็นหนี้คุณแล้วคุณก็หยิบมาให้คุณไม่มีไปหยิบของคนนั้นคนนี้มาให้อีกเป็นหนี้ซับซ้อนเข้าไปอีกอาตมากลัวกลัวอาตมาหมดบุญเนะพราะงั้นอัตมาจะไม่พยายามจะพูดจะบอกบุญสักทีเนี่ยอาตมาเสียวเสียวนะ อาตมาก็เวลาบอกบุญงนี้อาตมาก็เสียวแต่ถ้าอาตมาจะใช้กุศโลบายผู้หวานร้อมผูใ้ในคุณมาทำบุญทำทานกับอาตมามากเนี่ยจำไว้สมณะทั้งหลายแหละระวังนะฟังฟังไว้เพราะอาตมากลัวเหมือนกันสมณะเนี่ยพอมีคนมาศรัทธาแล้วอะไรต่อะไรแล้วนี่นะมันง่ายนะ พูดนะโยบายวิธีพูดวิธีหว่านล้อมมานมาทำบุญอย่างเง้ยอย่างนี้เมื่อก็้ยังสายทําบุญทั้งหลายแหล่เฟังเธออู้หวานหวานล้อมแล้วก็ปลุกเราบุญอย่างงี้นจะได้บิมานอย่างนี้อะไรต่างๆนั้นนาสารพัดซึ่งความจริงกุศลมันก็เป็นของคุณจริงเหมือนกันแต่ก็ปลุกเราเอาใช่ไหมเพื่อที่จะกอบโกยมาเ น, นี่ยอาตามาก็ไม่อยากทําไม่รู้ละ่ะคุณจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะถ้าอาตามาอยากทํามันคงเป็ น, ป น, ปนอย่างเงี้ยเนาะ เพราะงั้นในเรื่องของบุญบา ร, รมีของแต่ละคนเนี่ยมันมีจริงพรมีจงกระทั้งมันมากๆา ก, า ก, ากจนลน้นอาตมาบอกแล้วเมื่อกี้พูดไปถึงคำว่าล้นลน้ลนแล้วมันก็ล้นออกมาเองใครอยากจะมาทมก็มารู้พระเจ้าบรรดาลใจคุณก็ได้แต่ที่จริงคุณมีปัญญาคุณอยากจะทำคุนก็มาทํานั่นอาตมาถือว่าลน้นแล้วก็มาทําเอง ไม่บอกบุญไม่เรียกร้องไม่หวานล้อมอะไรมากมายเอาเท่าที่พอทำเนานา น, น, านทีบอกบุญทีก็กระดากระดาษแต่ก็เอาเถอะมันจำนวนมันจะไม่ไหวแล้วนะตอนนี้บอกไปบ้างแต่ จ, จะเห็นได้ว่า10ปี20ปี30ปีมานี้อาตมาก็พูดอยู่แค่นี้แค่ น, คนี้บอกบุญบ้างกระนี้อย่างเงี้ยไม่ได้พัฒยานักพยาย์ให้พวกเราอย่าทำแม้แต่สมาณา น, นิการธรรมก็เข้มอยู่นี่จิต ใครบางคนแหลมๆจะชอบไปหวานล้อมบอกเอาบุญให้ได้ลอยอลอบมามันเป็นกิเลสอย่างสำคัญมากเลยเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์สินคาร์เ ร, เรื่องความโลภนั่นเองมันเพราะงั้นเราจะไปนี่ผ่านแล้วนี่ต้องต้องดีๆนะอะไรอย่งมันก็จะคงจะยังไม่เข้าใจโลกุตระอยู่ น, นั่น่ะนะโลกุตระก็คือตนพึ่งตนเทวนิยมเทวนิยมเป็นโลกียะ ต่อให้มีฤทธิ์มีเดช ต, ต่อให้เป็นยังไงมีรูปประชารูปประชานมีพลังสามารถมีอะไรก็เป็นโลกิยะเพราะไม่รู้รายละเอียดของจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่รู้จักอภิธรรมไม่รู้จักปรมารต่างๆนะไม่รู้จักปรมาต์โลกิยะเป็นศาสดาได้ยิ่งใหญ่ได้โลกุตระนั้นไม่ถึงศาสดา ก, ก็คือโลกุตระ เป็นคารวาสเป็นอะไรก็เป็นโลกุตระได้โลกุตระคือเรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานได้ของบรามัตเรียกว่าอภิธรรมเรียนรู้จิตเจตสิกอ่านได้แยกยะแยกแย ก, กิเลสออกจับกิเลสได้แล้วทําให้กิเลสมันลดได้อย่างที่อาตมาอธิบายเมื่อวานนี้แล้ว <c oughs> เห็นความจางคลายจุดที่จะแยกเป็นอริยะหรือโลกุตระเริ่มต้นจิตนี้เป็นอริยธรรม จิตของคุณเริ่มเป็นสังสมเป็นดวงนี้ล้างกิเลสออกเป็นจิตลดกิเลสออกจางคลายออกเริ่มเข้าโล ก, กุตระคนที่มีความรู้อย่างนี้นหะคือความรู้ของอเทวนิยมสร้างจริงสร้างจิตวิญญาณตัวจริงเทวะก็คือจิตวิญญาณเทวะนี่คือจิตวิญญาณ จิตวิ ญ, ญญาณเทวะนี่เทวะมี3อย่างหนึ่งสมมติเทวะหรือสมุติเทพ2 อ, อุปัติเทพ3วิสุทธิเทพโดยวิสุธทสธิเทวะเทวดามี3ชนิดสมุติเทพนี่คือโลกียะทั้งหมดเป็นาศาสดาก็โลกียะสมุติเทพได้รับลาบยศสรรเสริญโลกียะสุขต่างๆ ส, งสมบูรณ์บริบูรณ์แม้จะลดละมักน้อยสัโดกรซับซ้อนมันเป็นธุรกิจเป็นธุรกิจชนิดหนึ่ง ธุรกิจของลาบยศสันเสริญโลกียสุขธุรกิจหมุนเวียนนะเอาเอาลาบเ ป, ป็นแลกยศเอาลาบเ ป, ป็นแลกโลกียสุขเชิงนั้นเชิงนี้เราไม่เอาลาบเขาก็เอามาให้เข า, าเออกโลกียสุขมาให้น ะ, ะเขาเอายกย่องนับถือชมเชยยกจ่องแล้วคนนี้มักน้อยสันโ ด, ดษศาสนาที่มักน้อยสันโดษจริงๆเนี่ยคือไม่เอาลาบไงอดกลั้นไม่เอาลาบลดพยาไม่เอาลาบไม่เอากามด้วยลดพยาไม่เอากาม แต่คุณก็จะได้รับความโอ้โหร่ํำรวยคนจะเอามาให้แล้วคุณก็เอามายิ่งเอามาให้ก็ยิ่งเอาออกมันเป็นสภาพซับซ้อนอยู่แต่วิธีการบางนี้คนรู้กันศาสดาไหนไหก็รู้อดอดทนเอาก็จะรับความนิยมชมชื่นแต่ไม่ได้ล้างกิเลสจริงเป็นโลกียะอยู่ถ้าได้ล้างกิเลสจริงก็ต้องมีญาณมีวิชาเก้ามีฌานมีวิปัสสนาญาณมีมโนมยิทธิมีอิทธิวิธีมีโสตทิปมีเจโตปริยญาณ บุพนณวาสานุสติญาณจตูปปาตายานและอาสวัคคยายานแม้จะยังไม่ถึงรู้อาสวัคยะแต่รู้กิเลสแล้วอ่านกิเลสออกมียานรู้ตั้งแต่อนิจจังอนิจจานุปัสสีที่อัตมาอธิบายแล้วเมื่อวานนีคือเห็นความเป็นปุถุชนของตอนเองแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้กิเลสจางคายได้นั่นคือผู้พ้นมิจฉาทิฏฐิเห็นความเป็นอนิจจังอนิจจโตเป็นฐานแรก ยังไม่เป็นอริยะนะยังไม่ใช่อริยะยังไม่ใช่โลกุตระนะยังไม่ได้เข้าเขตโลกุตระนะเพียงแค่พลมิจฉาทิฏฐิในพระธรริฎกเรื่ม18ข้อ254ข้อ255สกายทิฏฐิสูตรเห็นตัวกิเลสเห็นตัวอัตตาหรือกิเลสหรือสักายะ คือตัวตนสกิรยะตัวตนใหญ่อัตตาตัวตนกลางกลางอาสวะตัวตนสุดท้ายตัวตนขั้นสุดท้ายขั้นเล็กตัวตนเห็นตัวตนเนี่ยเห็นตัวกิเลสต้นเองเห็นตัวตนกิเลสจิตไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมแต่มันอยู่ในจิตนี่แหละตัวตนนี่แหละล้างกิเลสได้กิเลสของเราโตเท่านี้มันไม่เที่ยงพรมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นนั่นคือปุตุชน แต่กิเลสมันโตเท่านี้แต่ทำให้เลกลงได้เล็กลงได้ไดนั่นคือวิราคะตามเห็นความไม่เที่ยงแต่ไม่ใช่โตขึ้นตามเห็นความไม่เที่ยงแต่ลดลงขันสองทิศ ท, ทิศปุตตุชนกับทิศวิราคะกับปุถุปุถุคือกิเลสอ้วนขึ้นปุถุแปลว่าอ้วนแต่ว่าหนาแปลว่ามากแปลว่าใหญ่วิราคะคือจางคลายลดลง เพราะคุณทำให้กิเลสคุณมียานอ่านออกเลยว่าโอ้ทากิเลสลดได้แมคราวนี้ลดได้นิดหนึ่งเริ่มเป็นอริยะทําให้สักกายกิเลสตัวนั้นแหละตัวการอาตมาแปลสักกายว่าตัวการกิเลสตัวการตัวนี้จับมันขั้นตาจับมันได้แล้วทำโดยสามารถจะทําด้วยสมถะวิธีหรือวิปัสสนาวิธีก็ตามลดจางคลายได้นั่นแหละโร ก, กุตระนั่นแหละคืออเทวนิยมเทวดาไม่เที่ยงเทวดา ไม่ใช่พึ่งตนเองไม่ได้พึ่งเทวดาพึ่งเทวดาจริงคุณถ้าให้กิเลสลดลงได้นี่คืออุปัตติเทพเกิดโอปปาติกายโญนี B ้ B A T K จิตเกิดยังไม่เกิดจริงแต่ลดลงลดลงลดลงลดจนกระทั่งถึงรอบหนึ่งถือว่าคลอดถือว่าเกิดเป็นโอปปาติกายโญนี B B A T K oni, การเกิดทางจิตวิญญาณ กในตัวเราผุดเกิดไม่ต้องไปตายจากร่างนี้ใครยังเข้าใจว่าจิตวิญญาณนี่ตายจากร่างนี้แล้วก็ค่อยไปเกิดเป็นเทวดานั่นคิดอย่างเทวนิยมคิดอย่างเทวนิยมจิตคนต้องตายทางกายแตกทานเดวากายยะสสะเพทาหลังจากกายแตกตายแล้วกายยะสสะเพทาปรามมารณาหลังจากกายแตกตายแล้วกายยะสติกา ย, กายเพทาก็แตก กายมันแตกตายคือร่างกายนี่ตายแล้วก็จิตวิญญาณถึงค่อยไปเกิดเป็นเทวดาความคิดอย่างนี้คือเทวนิยมใช่มันก็ไม่ผิดหรอกแต่ชาวเทวนิยมคิดมาก่อนเขาเห็นเห็นเทวดาได้แค่นี้แต่ข้าพุทธเจ้าเห็นเทวดาเป็นปัจจุบันเลยยังไม่ทันตายร่างกายยังไม่ตายยานมีอ่านเทวดาออกโอ้ลำเทวดาเป็นแบบไหนเห็นเทวดาสมมุติด้วย สมมติก็คือโอ้โหเราเป็นปุถุชนเรามันเสพอร่อยมันก็สุกสิมันได้เสพสมสุขสมเป็นเทวดาหอ่หอห้อเทวดาเสพส ม, มวันนี้กินกว๋วยเตี๋ยวโอ้โหปรุงฝีมือยมเกลียวอร่อยจัง อ, อ่านใจโอ้โหเราเนี่เสพอร่อยนะเนี่ยเกิดเทวดาสมมติเป็นเมมุติเทพอร่อยรสเสพสมสุสมอร่อยพราะรูปรส กลิ่นเสียงสัมผัสอร่อยเพราะได้ลาบมาก็อร่อยสุขใจได้ยศมาก็อร่อยเห็นอาการอร่อยนี่เห็นเทวดาเราสมุติเทพเราจับไม่ได้มันยังไปติดไปยดหน่อยมันยังติดก๋วยเตี๋ยวมันยังติดได้ลาบมาก็ยินดีมันได้ยดมาก็ยินดียังติดรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสได้อันนั้นมาก็ยังยินดีจับอ่านออกคุณจับตัวการนนคนี่แหะจับโจรอ่านใจลดให้ได้คุณจับไม่โจรได้แล้วก็ทำให้ลดได้นั่นแหละเป็นอุบัติเทพ นี่คือโลกุตระนี้คือเทวดาไม่เที่ยงเพราะเราทำให้ลดลงได้ส่วนนั้นไม่เที่ยงเพราะมันเป็นสมุติเทพแล้วก็เสพสมแล้วกิเลมันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเอาเลยบำรุงเลยระวังไปเสียค่าลดน้ําหนักแพงนะเทวดาอ้วนกิเลนั่นเองเทวดากิเลสมุติเทพเทวดาอ้วนสมัยโบราณก็ถึงว่าเทวดาสมุติเทพเลยคือพระเจ้าแผ่นดิน อ่าคือพระราชกุมารต่างๆพระมเหสีต่างๆก็ถือว่าพวกนี้เป็นเทวดาสมมุติเทพเพราะอะไรก็เป็นเจา้าแผ่นดินอ่าจะกินสูบดื่มเสพจะอะไรก็กดหัวคนได้สมัยโบราณสมุรนาะญาสิทธิราชพระเจา้าแผ่นดินหรือว่าพระมเหสีหรือว่าพระราชกุมารเนี่ยโอ้ต้องการอะไรนะข่าผัวมันเสียเอามีมันมาก็ได้ใช่ไหมทำไมโบราณได้ทุกอย่างเขาก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เป็นสมุติเทพเป็นเทวดาผู้ที่ สมริดผลทุกอย่างสมัยนี้เนี่ยเจ้าสัวนั่นพวกอะไรพวกอิทธิพลพวกนักเลงใหญ่เจ้าพอเจ้าแม่ก็นี่แหละก็เป็นสมุติเทพเทวดาสมัยโบราณเนี่ยต้องยกให้พระเจ้าแผ่นดินพราะสมบุรณาญาสิทธิราชพร เ, าเพราะงั้นก็แปลคำว่าสมุติเทพคือพระเจ้าแผ่นดินคือพระมาราชาคือราชกุมารหรือว่า นั่นแหละพราะม่เหสีพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพวกที่มีเขายกไข้ยกท่องยอมแต่สมัยนี้มันไม่ได้แล้วไม่ใช่สมมุตินาญาสิทธิราชก็คือพวกที่มีอํานาจทางราบยศสันเสริญนั่นแหละเทวดาใหญ่เหมืนกันเถอะคุณก็เป็นเทวดาน้อยๆได้รับบําเรอสุกนะั่นแหลสุกด้รูปร็กติ้งเสียงสะบัดสุกด้โลกีก็เทวดาสมมุติเพราะฉะนั้นดอกแก้เคร็ดเปลี่ยนจากเทวดาสมมติทีมาเสพอร่อย ตามไปถึงเหตุปัจจัยที่คุณติดยึดเปกิเลสตัณหาอุปทานล้างกิเลสให้ได้จางคลายได้พราะล้างกิเลสจางคลายนั่ น, นคือคุณสามารถสร้างเทวดาทําให้เทวดาเกิดจริงเป็นจริงเองด้วยตนเองไม่ใช่พระเจ้ามาบันดาลให้คุณเองเกิดเทวดาเนี่ยเพราะฉะนั้นเทวดาเราเป็นผู้สร้างเทวดาเนี่ยมันใหญ่กว่าพระเจ้าเองนะเราสร้างพระเจ้าของเราเอง เราสร้างพระเจ้าของเองศาสนาพุทธยิ่งใหญ่ขนาดนี้เทวนิยมเทวดาเที่ยงหงถือว่าเทวดาหรือเทพเจ้าหรือพระเจ้าเป็นสิ่งศัก ด, ด, ดิ์สิทธิ์บรรดอนบรรดาลได้นั่นเทวนิยม 2. ถือว่าพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระเจ้าสิ่งสูงสุดที่สุ ด, น, ออ ด, ด, ดนั่นแหะพระเจ้าองค์ที่ใหญ่ที่สุดนับถือองค์ใดองค์เดียวองค์หนึ่งใดใหญ่ที่สุดคอยบรรดอบรรดาลคอยครอบคุ้มอะไรนั่นคือเทวนิยม ส่วนศาสนาพวกนั้นถือกรรมยิ่งใหญ่ที่สุดโดยเฉพาะกรรมทำให้เกิดผลเป็นนิพพานถือนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดไม่ใช่ถือพระเจ้าอัตวานิยมถือพระเจ้าอ๋ออัตวานิยมถือนิพพานถือกรรมถือนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดเทวานิยมถือว่าพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าสิ่งสูงสุดยิ่งใหญ่ที่สุดเที่ย ไม่มีอะไรไปเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรไปทําลายแก้ไขไม่ได้แต่ศาสนาพุทธนั้นถือว่าเทวะก็ไม่เที่ยงจิตปัญญาณก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้จนที่สุดศูนย์พระเจ้าศูนย์จิตปัญญาณศูนย์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยศาสนาพุทธทําได้อะเทวะนิยมทําได้เข้าใจขึ้นบ้างไหมเนี่ยนะ แต่ความเป็นพระเจ้ามีนะมีฤทธิเดชได้เป็นพระเจ้าได้พระเจ้าไม่นอกไปจากจิตวิญญาณพระเจ้าอยู่นอกจิตวิญญาณไม่มีนอกจากพวกฟุงซ่านพระเจ้าไปมีหมดอยู่ในก้อนหินอยู่ในก้อนดินอยู่ในขี้มูราขี้มาแห่งอะไรพระเจ้าอยู่ทุกที่พระเจ้าอยู่ทั้งหมด นั่นแหละพวกรุ่มร่ามพวกเละเอะเทอะแต่ในพุทธนั้นญาณหรือจิตปัญญาที่มีปัญญาญาณเห็นพระเจ้าขออภยัยเห็นซาตานเห็นตัวผีตัวกิเลสแล้วทำลายซาตานทำลายกิเลสหมดจิตที่ทำลายซาตานทาลายกิเลสหมดน่นจะเป็นพระเจ้าเอง เป็นจิตวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นพระจิตบริสุทธิ์เป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์เองแล้วพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของศาสนาพุทธนั้นเป็นพระผู้สร้างและเป็นพระผู้ให้ด้วยที่แท้จริงในแนวคิดอย่างนี้ในศาสนาที่มีเทวานิยมเขาก็เข้าใจเหมือนกันว่าพระเจ้าพระจิตวิญญาณเนี่ยเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ให้เป็นตรีมูรติเป็นพระเป็นพระผู้สร้างคือ พระปัญญาที่คุณพระผู้ให้คือพระกรุณาที่คุณพระวิสุทธิคุณพระคือพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกันศาสนาที่มีเทวนิยมเขาก็เข้าใจงี้เหมือนกันแต่เขาทําให้ถึงที่สุดจนทั้งฆ่าซาตานหมดไม่ได้เพราะเขาไม่เรียนรู้ซาตานไม่เอาใจใส่ซาตานเอาใจใส่แต่พระเจ้าศาสนาต่างๆที่มีพระเจ้านั้นวางชั่วลืมชั่ว ทิ้งชั่วด้วยวิธีง่ายๆลวกๆไม่ใส่ใจสนใจไม่เจาะลึกไม่ทําลายชั่วให้หมดถึงรากไปใส่ใจดีสร้างดีๆๆแต่ก็ไม่เจาะลึกไปจกกนกระทั่งพระเจ้าจริงด้วยไม่เรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพานสร้างแต่ดีๆอุตสาหะทาถวายพระเจ้าทําอยู่กับพระเจ้าทำให้แก่พระเจ้า ทำเพื่อพระเจ้าทำทำทำใช้ศรัทธาดุลดันให้ทำดีดีดีศาสนาที่มีพระเจ้าจึงเด่นในความดีพุทธบางทีสู้ไม่ได้เข็นให้ขยันเข็นให้ภาคเพียรเข็นให้เสียสละสร้างสรรโอ้โหยิ่งก็เข็นเขาขึ้นครกยากไอ้เข็นครกขึ้นเขาในี่มันยากดิกบ้างนะ อาจจะกระดิกขึ้นติด ก, ก็ยังได้มันจะอัดลงมาก็ได้ขึ้นไปหน่อยลงมาก็ได้มันยังกระดิกไอ้เขนเขาขึ้นครกนี่มันไม่กระดิกเลยนะเขนเขานี่มันขยือนเลยเขนเขาขึ้นครกไม่ไหวเพราะศาสนาพุทธนี่จึงเป็นศาสนามยอนแยงมากยากไม่มีสิ่งชูใจเพราะศาสนาพุทธเพ่งโทษศาสนาพุทธเรียนรู้ซาตานเรียนรู้ แต่ยไปเพ่งโทษคนอื่นพระพุทธเจ้าสอนแล้วเพ่งโทษคนอื่นอคุศลเจริญยิ่งอสวรรค์เจริญยิ่งเพ่งโทษตัวเองมันก็ไม่ได้มาทำให้หดหู่แต่มันก็จะเชิงหดหู่มองได้สิ่งไม่ดีของตนเองแล้วแก้ไขไม่ใช่ใมองเฉยๆมองอ่านสิ่งไม่ดีของตนเองอ่านให้ออกเลยมันเกิดมาจากจิตเป็นตัวรากเป็นตัวเข้าเงื่อนเป็นตัวมู ล, ลเหตุอ่านแล้วก็ทําลายเปลี่ยนแปลงคือฆ่าซาตาน ทำลายซาตานเพราะนี่ศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่ทุกขณิยมเป็นศาสนาที่มองและอับเฉาเป็นศาสนาที่ไม่น่ารื่นรมเป็นศาสนาไม่น่ายินดีแต่ศาสนาที่มีพระเจ้านั้นทิ้งซาตานหมดเลยไม่รู้จักซาตานแต่ซาตานมันถูกกลบถูกฝังไว้ในอาสวะอยู่ในอนุสัยทิ้งแล้วก็ไม่รู้จักวิบากมันมากะมันทําไปแล้วก็ช่งมันทิ้งทิ้งพยายามลืมพยายามทิ้งตอนนั้นวิธีง่ายๆ แล้วใส่ใจในดีสร้างใจดีๆเพราะฉะนั้นหน้าฉากของาศาสนาพระเจ้าหรือาศาสนาเทวนิยมจึงดีงามแพใใร่ได้ไกลกว้างเพราะย่าศาสดาอย่างนั้นจะมีมากาศาสนาเทวนิยมจะมีมากง่ายแล้วก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่ไหมเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เพราะทุกคนตั้งหน้าตั้งตาทำดีแต่ทําดีไม่ได้ถอนรากถอนโคนเหตุที่มันชั่วศาสนาพุทธนั้นดีไม่ต้องไปพูดกันมาก ถึอัอาตมาเคยเอามาบอกกับพวกเราแล้วถ้ามีดีในตัวเราหนึ่งวินาทีมันก็ดีอยู่แล้วมันจะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่มันก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลมันหรอกแต่มาใส่ใจสิ่งไม่ดีรีบตามไปหาเหตุไม่ดีแล้วล้างฆ่าทำลายพวกนี้พอทำไม่ดีออกล้างความไม่ดีออกทำลายความไม่ดีออกไปเรื่อย ๆ, ๆจริงๆจริงๆมันก็ดีนั่นเองทำความไม่ดีออกมันก็ดีเรื่อยๆดีๆืยๆ จนความไม่ดีหมดเกลี้ยงสุดเลยคุณก็ดีสุดเลยดีหมดเลยแน่จะยินดีในดีหลงติดดีศาสนาพุทธยังปรามอีกแนะ่เห็นไหมลึกซึ้งขนาดนั้นแต่ปฏิเสธไม่ได้ที่เราดีซะแล้วถ้าฟูใจขึ้นมาไปยินดีในดีของตนยึดติดตนเป็นตนไม่ปรินิพานสูงส่งมากใช่ไมศาสนาพุทธสูงส่งมาก ยอดเยี่ยมอย่างนี้พระเจนั้นศาสนาพุทธนี่แหละกอบกู้อย่างถึงรากกอบกู้สังคมมนุษยชาติอย่างถึงรากสิ่งที่ได้แล้วทําดีได้ถาวรแล้วหรือเข้าเขตขั้นโสดาบันเนี่ยโสตาปัญนะอวิณิปาตธรรมนิยตสมโพธิปรายณนะนี่เป็นคุณวิเศษของโสดาบันโสดาปัญนะหมายคมว่าจิตเข้ากระแส <c oughs> คุณสร้างอุปติเทปเป็นเทวดาดีขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ก็เริ่มเข้ากระแสสมมติว่านี่คือเขตของที่สุดนี่คือครึ่งหนึ่งคุณเข้ากระแสมาพอเริ่มต้นเข้ากระแสมาก็มาได้เป็นเทวดาอุบัติเทพมาได้ขึ้นมาก็มีกําลังขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงขีดนี้ก ล, กลางนี่สูงสุดนี่ก ล, งกลางถึ ง, ก ล, งกลางมาแล้วคุณก็มีกําลังสูงขึ้นมาหน่อยแล้วคุณก็จะมียานคุณก็จะมีความเชื่อมัน่นคุณจะมีความเชื่อถือที่ดีขึ้นจนกระทั่งโอ้จงเอาอันนี้แหละ แต่กําลังของกิเลสกําลังของอะไรมันยังไม่แข็งแรงมันจะยึกยักบ้างเอาวินิปาตธธรรมนี่เรียกว่าไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาคุณไม่ตกต่าขีดจะมาหาเนี่ยรกนี่เลยแต่คุณยึกยักอยู่เนี่ยมันยังไม่แข็งแรงโซดาบันนะโสดาบันจนกว่าจะเป็นโสดาบันขั้นผลขั้นผลก็คือเลยเขตนี้จนกระทั่งนิยตะยึกยักก็ไม่ถึงไม่เลยเขตครึ่งมาแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยคุณไม่ ตกครึ่งหนึ่งของครึ่งนึงไม่ใช่มาตกมหาอบายนี่คืออบายนี่คือเทวดาเมืองเทวดานี่คือเทวดาชั้นสูงไม่ตกแล้วนิยะตะก็คือแข็งแรงแม้จะอยู่นไม่มีคางตกตกมาถึงตกต่ำเป็นธรรมดาไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาในยึกยากอย่างนี้ไม่ตกออกมาเลยเขตนี้แต่อันนี้เลยเขตกลางนี่คือไปนิยะตะเพราะฉะนั้นนิยะตะเหมือนกับที่เป็นพลังงานศักดิ์ละเหมือนก็เป็นตัวทีเตทิติทีเตอันนี้ชาปเจตทิเตหรือเป็นตัวอัปนาพยาปนา ที่มันจะตั้งมั่นแข็งแรงอัปนาพยัปนาเนะีแข็งแรงแล้วมันก็จะมือกัหลักที่จะไปสู่สัมโพธิปรายนะนิยตะสัมโพธิปรายนะมีแต่จะไปถึงที่สุดที่สูงอย่างเดียวสัมโพธิปรายนะจ ะ, จะเจริญไปสู่ที่สุดทางเดียวไม่มีทางหันกลับทางนี้อีกเลยเพราะคุณธรรมอันนี้คุณคุณภาพอันนี้มีได้ตั้งแต่โวดาบันไปยิ่งเป็นอรหันตผลถึงจบขีดกลางขีดจบจบแล้ว ถือว่าเที่ยงแท้ถือว่ามั่นคงถือว่านิจจังทุวังสัตตังอวิปรินามธรรมมาอาซังฮิรังอะซังกุปปังไม่แปลพูดให้งงไปไงนนั้นนี่ใครไม่รู้ก็อย่ารู้ถ้าใครอยากค้นควายรู้ก็ไปตามหารู้อธิบายไว้หลายแห่งสรุปแล้วเทวานิยมกับอเทวานิยมนี้ถ้าเข้าใจชัดเจนและเร า, เามาพิสูจน์ อเทวานิยมคือเป็นอุปัติเทพจนถึงวิสุทธิเทพเพราะอรหันต์ก็คือวิสุทธิเทพเทวดาบริสุทธิ์นี่เทวดาพิสูจน์ได้เทวดาเห็นความจริงเทวดาสามารถตัวเรานี่แหละเป็นเทวดาเทวดาตายแล้ว่อยไปเป็นเทวดากับเราเองรู้แจ้งเห็นจริงบอกแล้วว่าเทวดานั้นมีอยู่ที่จิตวิญญาณเท่านั้นอื่นจากจิตวิญญาณไม่มีเทวดา อื่นไม่ใช่จิตวิ ญ, ญญาณเป็นเทวดาไม่ได้คุณจะไปจับก้อนหินมาเป็นเทวดาคุณไปจับภูเขามาเป็นเทวดาคุณจะไปจับต้นไม้มาเป็นเทวดาไม่มีเทวดาคืออาการของจิตวิญญาณเท่านั้นเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเทวดาถึงวิสุทธิเทพแล้วหรือจะเป็นเทวดาเป็นเทวดาอุปัฏติเทพก็ตามคุณปฏิบัติเดี๋ยวนี้เป็นได้เดี๋ยวนี้ กับเทวนิยมบอกว่าตายแล้วร่างกายแตกตายจริงค่อยไปเป็นเทวดาแต่คุณเองปฏิบัติอย่างมีญาณรู้เห็นเลยว่าเราละกิเลสได้จริงเป็นเทวดาตัวน้อยก็ตามยิ่งเป็นตัวใหญ่จึงเป็นวิสุทธิเทพเดี๋ยวนี้เลยปัจจุบันนี้ก็เป็นวิสุทธิเทพนี่เป็นอรหัน ต, ตผลได้บางอย่างก็แล้วแต่ตายเดี๋ยวนี้คุณมีความจริงในตัวจิตวิญญาณญาณตาทิพย์ก็เป็นอ่านเห็นจริงคนเดียวนี้ของคุณเองเดี๋ยวนี้ เทวดาที่คุณเห็นความจริงคือจิตวิญญาณวิสุทธิหรือจิตวิญญาณอุบัติแล้วเกิดแล้วเดี๋ยวนี้คุณยานคุณเห็นของจริงอันนี้ในตัวเรากับตายแล้วค่อยไปเป็นเทวดาอันไหนจริงกว่ากันเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าโอ้ยเทวดาเขาออกสวรรค์นในอกนรกในใจเทวดานี้สมมติลำลองเทวดาในจิตในใจมันไม่จริงหรอกต้องตายไปถึงจะไปเป็นเทวดาเทวนิยมจะ คิดอย่างนี้ใครคิดอย่างนี้บ้างอย่างโกหกแต่ก่อนแม่เพิ่งรู้วินาทีนี้ใช่ไหมฮ <c ười> ะคิดอย่างเทวนิยมจึงเห็นกี่ว่าเทวดานั้นจริงก็ต่อเมื่อตายไปแล้วนั่นคือลักษณะคิดอย่างเทวนิยมส่วนอัเทวนิยมที่พิสูจน์ได้จริงแล้วเห็นเทวดาหลัดหลเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันนี่จริงกว่า เข้าใจชัดยังนี่อเทวนิยมทําไม่ได้นะเป็นวิสุทธิเทพให้ได้นะแค่อุปติเทพก็ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์แต่ชอบเนี่ยนายเไรแล้วมีอีกชาติหน้าก็ยังมีชาตินี้เอาแค่นี้ก่อนเรายังชอบอยู่แล้วเนี่ยรถก็ยังชอบรูปก็ยังชอบเสียงก็ยังชอบอรอ่ อ, รอยนั่นอร่อยนี่ลาว ก, ก็ยังกร อ, อบไว้ก่อนเนอะเราก็ให้ยมาบางแล้วนีเหลือไว้หน่อยเนอะ แล้วก็ไม่ได้ชั่วไม่ได้เล้ยวขนาดหนักอะไรนี่อาตมาแล้วเหนื่อยจริงๆเข็นพวกนี้ยเข็นเขาขึ้นครกเนี่ยยากจริงๆเอาล ะ, ะอาตมาประเทศไปมันก็มีเรื่องถ้ามีเวลามากๆอาตมาก็ไม่แก่นะโอ้คนพูดได้ทั้งวานทั้งวนังวนพวกคุณก็ฟังทำคนไหนฟังทำมีรถนี่ฟังทำใครฟังทำมีรถมื่อวันเนี้ยฮะโอ้ไม่มากเท่าไหร่ คนเป็นพันฟังธรรมมีรสกันนิดเดียวนอกนั้นหลับเหรอหลับมีรถกว่าได้ไงได้ฟังไม่รู้เรื่องอาถามจริงๆนะใครฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยวันเนี้ไม่มีเลยเหรอโอ้โหมีแต่คนฉลาดทั้งนั้นฮะโอ้โหมีธรรมอาตมาเทศนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะนี่ใ น, นอภิธรรมนะ เทเรื่องเทวดานี่อุปติเทวิติเทวเ ท, เทวดาหรือว่าเทวนิยมเทวาไม่ใช่ธรรมดานี่ในประเทศวันนี้เนี่ยฮะโอ้โหทำไมคนฉลาดประกองรวมกันอยู่ที่นี่เนี่ยประเทศชาติจเจริญแน่เลยเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ล้ออัตมากเก่งอธิบายให้คนโง่รู้เรื่องได้ <laughs> อก็คนฟังก็ฉลาดด้วยนั่นแหละนะอาตมาอธิบายเก่งด้วยกันนั่นแหละเก่งด้วยกันทั้งคู่เนา ะ, ะก็เลยรู้เรื่องถ้าใครรู้เรื่องจริงแล้วอย่าชาเลยอย่าไปชาเลยอย่าไปกลัวจะได้นิพพานอย่าไปกลัวจะเป็นพระอาหารเลยแมเราเอาแล้วแค่โซดาก่อนแค่โซดาโซดาก็ยังไม่เกิดจะมากเท่าไหร่แล้วนะโซดาขวดเล็กๆยังไม่ได้โซดาขวดโตอะไรนะ อย่าประม า, าะทอย่าไปจมักน้อยอก็พระพุทธเจ้าสอนมักน้อยนี่เรื่องอะไรไปตะกะตะกรามรีบๆเอาไปทำไมกันล่ะโซดาค่อยๆไปโซดาอีกเป็นวัตตะพิรตะโสดาเป็นโซดาเหมือนนางวิสาขาเนะอะโมีลูกอีก2ี่สิคนในคราวหน้าโอยคุณสร้างบา ร, รมีมาเพื่ อ, อยังอัตมาพูดแล้วก็จะยาวหมดเวลาแล้วนะยังยากวิจารณ แในนามวิสาขาให้ฟังโอ้โหอัตมาไม่แต่ก็อย่างว่านะพระพุทธเจ้ า, า, าทัาน้ mm. นเดยกย่องเพราะว่าเป็นอุบาสกาของท่านอุบาสิกาของท่านก็อุนามวิสาขาไม่ใช่เป็นอุบาสิกาขอัตมานี่อัตมารกรจววิจาร์ <c oughs> <c oughs> คือมันมีข้อด้อยอยู่ที่หน้าวิจาร์ใช่ไหมไปโมเดลวิจาร์ในข้อดีคือข้อดีเขาสั่งสมบุญอะไรอะไรมาแล้วเขาก็มาเสวยบุญ กินบุญอเาเธอถึงแม้ว่าบุญไม่หมดมันมากก็ตามแต่เถอะแล้วมันชา้าถามจริงๆนะว่าคุณจะเป็นอรหันต์ช้าก็เป็นอรหันต์เร็วอะไรมันดีกว่ากันนะ่ะก็คงไม่มีใครโง่ไปอยากจะเป็นอรหรนะันต์ช้าน่ะในอนาคตสาขาเนี่ยจะเป็นอรหรันต์ช้าอาตมาถึงบอกว่าอาตมาจะถลม่มอาตมาไม่เอานั้นแต่พระเจ้ทาท่านต้องจกไว้เพราะว่าท่านยังต้องมีอิอติสาวก ที่จะต้องมีอุติสาวกที่จะเป็นบรรลังของท่านมีอะไรหนุนของท่านท่านก็จะต้องว่าจะจังงั้นแต่อาตมาไม่ใช่นี่นะวิสาขาไม่ใช่อุบาสิกาอาตมา <c oughs> อาตมาก็จะอธิวิจารณ์ข้อดอยให้ฟังอะไรเนี่ยแต่หมดเวลาแล้วเอาไว้โอกาสหน้าเนาะโ อ, อกาสนี้ก็มันไม่มีเวลาแล้วมันเลยไป็นหายนาทีแล้วจะสิบนาทีกว่าแล้วนะอ้าวพูดไปก็จะเวลาอื่นไปทําอื่นกันต่อแล้วพรุ่งนี้ต่อกันแล้วกันเทศต่อตอะไรอะไรอีกต่อ ใครอยากฟังต่อก็โปรดติดตามฉบับหน้าเยวว์